บทที่หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ทุกสิ่งทุกอย่างสงบราบคาบเรียบร้อยดีจนกระทั่งรุ่งเชา้าคณะนายจ้างตื่นขึ้นมาเห็นคนป่วยเมื่อตอนดึกของเมื่อคืนเดินตัวปลิวซะแล้วเขาตื่นก่อนคณะนายจ้างทุกคนซะอีกร่องรอยที่อาจเหลืออยู่บ้างก็เพียงแต่ใบหน้าที่เซียวซี้เล็กน้อยเท่านั้นทระหดขาดใจเลยไอเสือนี่ เชิดาผู้กับกลุ่มของเขาขณะที่ไปวักน้ำรูปหน้าตรงบริเวณแอ่งน้ำผุใกล้ที่พักนอนชายันก็ยกนิ้วดีดขึ้นแรงๆพอร่างนั้นหันขวับมาก็กวักมือเรียกช่วยอึดใจเดียวเจ้าของร่างก็เดินดุมดุมเข้ามาหาและก่อนที่ใครจะเอ่ยปากเช่นไรเขาก็บอกด้วยสีหน้ายิ้มแยม้มเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นเลยว่าขาวดีครับเมื่อหัวรุ่ง น, นี้เองเงซา ย, ยิงกวางใหญ่ได้ตัวหนึ่ง ตรงแอ่งน้ําหนท์พวกเรากําลังไปแล่เนื้อมาแล้วเฮ้อยังไม่ต้องทนกระเดือกเนื้อนกทุเรศนี่อีกต่อไปแล้วครับกวางเหรอทุกคนอุทานเป็นเสียงเดียวกันอย่างประหลาดใจลืมตากว้างแถวนี้มีกวางด้วยเหรอแล้วีอาสายยิงได้ยังไงไม่ได้ยินเสียงปืนซักป่องสัตว์ที่นี่ชุมมากครับแล้วก็มีเกือบทุกชนิดเพราะเป็นแหล่งอาหารและแหล่งน้ําที่มันจะต้องมาอาศัยเมื่อวานนี่เรามาถึงค่าแล้ว ไม่มีเวลาได้สำรวจมากนะักแง่ท า, ายยิงด้วยธนูดอกที่ไม่ติดระเบิดผมเองก็ไม่รู้สึกตัวเหมือนกันว่าแง่ทรายดอดออกจากที่พักนี่ไปตอนไหนเมื่อไรอยู่ไม่อยู่มันก็มาปลุกผมบอกว่ายิงกวางไว้ตัวหนึ่งที่แอ่งน้ำชวนผมไปดูก็จริงตามที่มันบอกก็เลยส่งบุญคำกับพวกนั้นไปขนมาป่ะเดี๋ยวก็คงจะโผล่กันมาหรอกครับและแตะกี้นี่คุณทำอะไรง่วนอยู่อ๋อกอร้านเตรียมจะย่างเนื้อเหรอ เชฐาถามหน้าตื่นอยู่เช่นนั้นหันกลับไปมองทางกองไฟที่เห็นจอมพลทำอะไรอยู่สองคนกระเสรยเมยกๆนี่ครับอื่นใดก็เว้นสักก่อนเถอะนี่ว่าแต่เรานะ่ะหายดีแล้วเลยดารินขัดขึ้นโดยเร็วสำรวจไปตลอดใบหน้านั้นระพินหัวเราะฝืดๆโถคุณหมอก็ทราบดีอยู่แล้วนี่ว่าโรคเรื้อรังของผมนี่นะมันมีระยะเวลาของมันพอผ่านพ้นช่วงระยะของมันแล้ว ผมก็เป็นปกติเหมือนเดิมทุกอย่างยิ่งถ้ามีหมอช่วยมียาพร้อมมันก็ทุเลาเร็วขึ้นอีกเมื่อคืนนี้ผมเสียท่าจริงๆถ้ารู้ตัวล่วงหน้าซะก่อนว่ามันจะจับไข้ขึ้นมาผมก็คงไม่ออกใจเนื้อทรายคงจะเล่าให้เจ้านายของผมฟังหมดแล้วไม่ใช่เหรอครับใช่ก็บอกให้เราฟังหมดแล้วแหละว่าคุณนันไปสันงงงงกอยู่ตอนเวลาวิกฤตที่สุดเห็นนานผิดปกติพี่ใหญ่ก็ห่วง ก็เลยให้บุญคำกับขยินตามไปอีกสองคนถึงได้ไปช่วยกันลากกลับมาได้บุญนะที่มันไม่แวนเข้ามาเล่นงานอตอนคุณปลูกพลักสันเทอมอยู่บอกแล้วว่าไม่ต้องตามออกไปถ้ามันถอยพ้นเขตป่าตามนี่ก็อถอยกลับมาก่อนบ่าระหัำไม่เข้าเรื่องคุณประโยคหลังดูคล้ายจะบ่นอุบอิบอยู่ในลำคอพร้อมกับหางตาที่แลเหมือนค้อนพรานใหญ่ได้แต่ยิ้มเจนเจือนไม่โตอตอบเช่นไร เ็ารู้ตัวดีว่าเป็นหนี้บุญคุณคุณหมอดาริงอยู่เป็นอันมากแม่ท า, ายบอกกับเราว่าถ้าคุณไม่เกิดอาการไข้ขึ้นอย่างกะทันหันซะก่อนก็คงได้ยิงไอ้ยักษ์นั่นแล้วไม่ใช่เหรอใช้ยันถามมาบ้างครับผมก็มีความเชื่อเช่นนั้นแต่เจ้ากรรมจริงๆคิดแะเจ็บใจตัวเองจังเลยตอนที่มันจะเกิดอาการหนาวสั่นขึ้นมาผมพยายามใช้กาลังใจเข้าฝืนข่มเต็มที่แต่ก็ยังทนไม่ไหว โชคไม่ดีจริงๆโชคดีแต่หาคุณที่ไม่ถูกมันคเหมือปะสองครั้งแล้วนะนายพรานที่คุณมีอาการแบบนี้เวลาอื่นก็ไม่เป็นซะด้วยดันมาเป็นนะตอนชีวิตแขวงอยู่บนความเป็นควา ม, วามตายฉุกเฉินเต็มทีนี่ถ้าเกิดเป็นขึ้นครั้งที่สามเมื่อไหร่ในสถานการณ์แบบนี้ฉันไม่คิดว่าคุณจะโชคดีอีกหรอกนะอาจเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้อ้าวอาว้อาอ้าน้อยมันเรื่องอะไรไปแช่งเขาล่า ใช้ ย, ยันร้องไม่ได้แช่งแต่พูดความจริงและต้องการจะเตือนให้เขาสำ น, นึกในจุดอ่อนของตัวเองในข้อนี้ไว้มากๆคนอะไรก็ไม่รู้สิเจ้าว่าป่าเถื่อนไม่รู้ปภาษีภาษาก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งนี่ได้รับการศึกษาจเจริญมาถึงขั้นนี้แล้วยังปล่อยตัวให้ตกเป็นทาสของโรคแบบนี้ยังกับคนป่าคนดอยอย่างนั้นอะมาเรียน่ะมันเรื่องเล็กเหลือเกินถ้าหาทางรักษาให้หายขาดเสียแต่ในระยะต้นต้ น, ตนมือ ถ้าเป็นอย่างสางปาหรือขยินแล้วก็ฉันจะไม่ตำหนิเขาหรอกฝ่ายที่ถูกตอกเอาซึ่งซึ่งหน้าเงียบกริบโดยดุษณีมาริอาฮอฟมันเมินหน้าไปสทางอื่นทำเป็นเพลินกับธรรมชาติยามเช้าอันสดชื่นและสวยงามของป่าปามที่แวดล้อมอยู่นกและผีเสื้อหลากสีพากันบินร่อนเกาะอยู่ตามพุ่มพฤกทั้งสูงและต่ารอบด้านและสะพรั่งตาไปหมด สลับไปกับพันไม้ดอกรูปร่างลักษณะแปลกตาที่บานสะพรั่งพรูแซมอยู่ทั่วไปตามขาคบและซอกขินพืชพัน์ที่เห็นบ่งลักษณะของสภาพอันอุดมสมบูรณ์และเต็มเปด้วยสั ญ, ญลักษณ์แห่งชีวิตท่ามกลางความแรงกันดานของภูมิประเทศแวดล้อมอันไพศาล ร, รอบทิศลมเช้าโชยชำมาเป็นระยะระยะควันควของเราได้ผลมากทีเดียว มันไม่ได้แผ่วพานเข้ามาใกล้อีกเลยไม่ใช่เหรอหลังจากที่ถอยไปแล้วน่ะเชษฐาว่าครับผมสอบถานแง่สายกับพวกที่อยู่ยามดูแล้วล่ะครับไม่ปรากฏว่าจะได้ยินเสียงมันเข้ามาใกล้อีกเมื่อคืนนี้ถ้าเราไม่มีฟืนก่อไฟเสอย่างเดียวมันบุกเข้าถึงตัวแน่ครับเพราะฉะนั้นจะต้องระวังตัวกันให้มากในป่าหินข้างหน้าการหยุดพักนอนทุกครั้งถ้าบังเอิญไม่มีฟืนใช้ก่อไฟเมื่อไหร่ ต้องยึดที่กำบังอันปลอดภัยที่สุดไว้ก่อนและต้องระวังกันแจทีเดียวผมสังเกตดูรู้สึกว่ามันจะคอยตามจ้องเล่นงานเราไปทุกระยะทีเดียวเมื่อคืนนี้มีอาการแปลกมากโดยการค่อยๆย่องเข้ามาซึ่งผิดไปกว่าทุกครั้งจำไม่ได้เลยฉันตั้งข้อสังเกตว่ากับคุณตั้งแต่มวานนี้แล้วว่าที่เรากำมันมีอาการเหมือนจะพัวพันนวเนียใกล้ชิดกันมาตลอดระยะเวลาเดินทางนี่นะ่ะ มันเป็นเรื่องเหตุการณ์บังเอิญหรือว่าเป็นเจตนาของมันโดยตรงที่ติดตามเล่นงานเรากันแน่ซึ่งคุณก็พยายามจะทําให้เราเข้าใจไปซะว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าตอนนี้คุณแน่ใจแล้วใช่ไหมละ่ะว่าเจ้าสัตว์ในอบายภูมิตัวนี้นะ่ะมันจองเวรพวกเราคําพูดอย่างจริงจังของดารินทําให้ทุกคนซึ่งกําลังสดชื่นอยู่ด้วยอากาศยามเชา้าเครียดขรึมลงในทันทีด้วยความคิดหนักแมร้ระพิน์ไพรวันเองก็อึ้งไปนาน คุณหญิงครับที่ผมพยายามเข้าใจเช่นนั้นก็เพราะไม่อยากจะคิดอะไรให้เป็นอกุศลเกินไปนักและเจตนาแท้จริงก็หวังที่จะหลีกเลี่ยงมันซะไม่อยากเผชิญหน้าเป็นคู่เวรคู่กรรมกับมันภาวนาให้มันไปทางแล้วเราก็ไปทางที่นี้ระหว่างเรากับมันหลงท่าการคิดแผ่เมตตามไม่เป็นผลจะแล้วก็ต้องฟาดกันแหลกไปข้างนึ่งแบบเดียวกับที่เราหักล้างอุปสรรคขวากหนามและสัตรูร้ายในรูปต่างๆที่ผ่านมาแล้ว แล้วก็เพราะตัดสินใจแล้วแบบนี้แหละครับเมื่อคืนนี้ขณะที่มันถอยออกไปเพราะควันควยผมจึงตามมันออกไปไม้จะเอาให้อยู่แต่บังเอิญเกิดเหตุขัดข้องขึ้นซะก่อนพวกเราเข้าใจคุณดีผู้กองชยันพูดเสียงแผ่วต่ำถึงน้อยเองนะเขาก็ไม่คิดว่าเขาจะมีเจตนาที่จะตำหนิอะไรคุณหรอกทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะความที่พวกเราเป็นห่วงคุณนั่นแหละ ไอเรื่องไทแรนโนซอรัสตัวนี้นะ่ะมันไม่เป็นปัญหาหรอกเราทุกคนเข้าใจได้ดีเท่าเท่ากับคุณจงยึดถือนโยบายการเดินทางของเราเป็นหลักระหว่างทางถ้ามันขวางหน้าหรือเข้าโจมตีเมื่อไรจัดการเด็ดขาดกับมันไปเลยเอางั้นนะเชษฐาประโยคหลังอดีตนายทหารปืนใหญ่หันไปย้ำความเห็นสหายอาวุโสของเขาท่านหัวหน้าคณะกม้มศีรษะลงด้วยอาการอันหนักแน่นมั่นคงถูกต้องเอาอย่างนั้น ไม่มีแผนการที่จะตามล่ามันโดยตรงแต่อยากขวางหน้าหรือเข้ามาใกล้ก็แล้วกันว่าแต่นี้นะปุ ก, กองวันนี้เราจะเริ่มต้นออกเดินทางเมื่อไหร่เนี่ยถ้าไม่ห่วงกันเรื่องสเสบียงนะครับเราคงออกกันได้เช้าหน่อยแล้วแต่ผมคิดว่าสายไปบ้างก็คงไม่เป็นไรมั้งครับผมกลัวว่าจะไม่หน่อยอย่างคุณว่านะ่ะสิหมายความถึงว่าคุณจะย่างรมควันเอาเนื้อกวางไปให้ได้มากที่สุดนะใช่ไหม เพราะนั่นเป็นปัจจัยสำคัญในการดํารงชีพของเราหนทางที่ผ่านมาแล้วเตือนให้เราทราบดีว่าสเสบียงเป็นเรื่องจาเป็นขีดสุดขาดอาหารก็ขาดพลังงานและเราก็หวังไม่ได้ด้วยนะครับว่าถ้าแม้วางที่พักที่ใดหรือไปถึงที่หมายตาแหน่งไหนอาหารมันจะรอคอยเราอยู่พร้อมแล้วที่นั่นกวางทั้งตัวกว่าจะย่างแห้งพร้อมที่จะขนเอาไปได้นะเคยเห็นกินเวลาเป็นวันๆนะดารินว่า และก็เป็นเช่นนั้นจริงตามที่หล่อนเห็นมาแล้วเนื้อจะถูกทอนออกเป็นชิ้นใหญ่ๆขึ้นย่างบนร้านชนิดไฟรุมๆมีใบไม้สดบกคลุมอบไว้ข้างบนใช้เวลาตลอดทั้งคืนหรือทั้งวันกว่าจะทำให้เนื้อแห้งพอจะเก็บตุนไว้เป็นสเบียงได้นานวันโดยไม่เน่าซึ่งแน่ละมันกินเวลาไม่ใช่น้อยแต่คนที่ชนานาญต่อ ก, การย่างชีพในไพรลึกบอกว่าเราจะใช้วิธีสงวนเวลาขึ้นครับคุณหญิง ถ้าย่างรมควันแบบนั้นนะ่ะมันก็สีเวลา น, านานอย่างคุณหญิงว่าจริงนะครับและเราก็ไม่มีเวลาพอที่จะทําเช่นนั้นด้วยแต่นี่เราจะใช้วิธีเผาครับแทนที่จะค่อยๆ ย, ย่างคือโยนเนื้อก้อนโตๆเข้าไปเผากลางกองไฟเอาชนิดให้ผิวด้านนอกถูกไฟไหม้ดําเกรียมผิวที่มันไหม้เกรียมด้านนอกนี้จะทําหน้าที่หุ้มเนื้อข้างในไว้ให้สุดและไม่เน่าเก็บไว้ได้นานพอสมควรกลับใดที่เรายังไม่เอาส่วนไหม้ด้านนอกออก เมื่อต้องการจะใช้เป็นอาหารเราก็จะเฉือส่วนที่หุ้มไหม้เกรียมเหล่านั้นออกเราก็จะได้เนื้อสุกๆดิบๆภายในเมื่อจําเป็นก็พอจะอาศัยกินได้ทั้งอย่างนั้นหรือถ้ามีไฟเราก็ย่างให้สุกต่อไปในการกินแต่ละครั้งโดยวิธีนี้เราก็จะได้เนื้อสดดีซะกว่าการย่างรมควันแห้งซะอีกเพียงแต่จะเพิ่มน้ําหนักในการขนขึ้นบ้างเท่านั้นจัดการกับสเสบียงของเราโดยวิธีนี้กินเวลาแค่ชั่วโมงเศษก็ขนไปได้แล้วครับไม่ต้องถึงกับเสียเวลารอเป็นวันๆแล้วครับ สายตาของนักมานุษยวิทยาสาวที่แลไปยังพรานนำทางเต็มด้วยความอบอุ่นเชื่อมั่นและยิ้มให้เรียนกันสักเท่าไหร่ก็ไม่มีวันจบสิ้นนะฉันยังไม่เคยเห็นคุณเตรียมสเสบียงโดยวิธีที่บอกนี่เลยสักครั้งนี่เห็นตลอดเวลามาก็ใช้วิธีค่อยๆ ย, ย่างกันจนเนื้อแห้งกินเวลาหลายๆชั่วโมงครั้งก่อนๆเรายังไม่มีความจาเป็นที่จะต้องสงวนเวลาอย่างนี้นะครับส่วนมากระวางแคมป์อยู่กับที่หลายๆวัน ก็มีเวลาพอที่จะทำแบบนั้นได้แต่นี่เราต้องเคลื่อนย้ายเร็วที่สุดและต้องเอาสเสบียงที่ได้มาอย่างกระทันหันนี่ไปด้วยก็ต้องทำแบบนี้แหละครับมันไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรเลยชาวป่าทุกคนเข้าใจการรักษาเนื้อวิธีนี้กันทั้งนั้นมองผัดผ่าจะเห็นเนื้อก้อนโตๆเช่นส่วนขาทั้งขาไม่ไฟเตรียมไปหมดไม่น่าจะใช้กินได้แต่เราต้องนึกถึงความจริงว่าก้อนเนื้อนะ่ะมีส่วนหนามาก เร่งไฟให้แรงเผาเฉพาะผิวที่หุ้มนอกมันก็จะไหม้เกรียมเฉพาะส่วนนอกเท่านั้นส่วนในนะ่ะไฟยังกินเข้าไปไม่ถึงและความร้อนที่ได้รับอย่างรวดเร็วจากเบื้องนอกยังระอุขเข้าไปไม่พอที่จะทําให้เนื้อสุกได้โดยตลอดผิวที่ไหม้อยู่เบื้องนอกก็จะแปรสภาพเป็นเปลือกหุ้มเนื้อไว้ไม่ให้อากาศเข้าไปได้เฉือผิวนอกที่ไหม้ทิ้งก็จะพบเนื้อในที่ยังใช้การได้ดีใช้ปรุงอาหารได้ อย่างนี้เราไม่เรียกว่าเป็นการย่างครับแต่เรียกว่าเผาการนําพาไปก็สะดวกไม่มีวันไม่ว่ามันจะตกหล่นคลุกผงครีฝุ่นละอองสกรปรกยังไงเพราจะถูกแต่เพียงผิวนอกซึ่งไม้ไฟเท่านั้นเนื้อในที่ห่อหุ้มโดยกรรมวิธีนี้ก็จะไม่มีความสกรปรกใดๆเข้าไปถึงจนกว่าเราจะเฉือนผิวหุ้มนอกออกแล้วนั่นคุณไม่ได้เตรียมก่อร้านไว้สําหรับย่างแบบที่กินเวลากันนานๆหรอกเหรอดารินชี้มือไปยังคานไม้งาม ซึ่งบัตนี้สื่อกําลังปักอยู่อ๋อนั่นผมเตรียมไว้สําหรับย่างเพื่อเป็นอาหารมื้อแรกของเราวันนี้เท่านั้นเองครับนอกจากเนื้ อ, อย่างแล้วเราก็มีซุปเนื้อต้มกับลูกเดือยอีกด้วยก็หรูหราพอสมควรนะครับสําหรับความแรนแคนอดอยากมาเป็นเวลานานรสชาติก็คงไม่เลวนักล่ะครับเพราะดินโป่งที่นี่อุดมสมบูรณ์เราพอจะหาเกลือจากผิวดินได้ไม่ยากนะักตอนนี้สั่งปลา ก, ก็กําลังไปจัดหามาแล้วครับมันเสาแถวนี้ หัวขนาดซุ้มเขิงเอิงพืชอีกหลายชนิดก็กินได้รู้สึกว่าจะอุดมสมบูรณ์กว่าทุกป่าที่เราผ่านมาแล้วนับตั้งแต่ออกจากก ล, ลุ่มช้างนะครับทุกคนสูดลมหายใจลึกด้วยความแช่มชื่นขึ้นต่างนึกขอบคุณสวรรค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอยู่ภายในฟ้าเบื้องบนยังไม่ทอดทิ้งซะเลยทีเดียวภายหลังจากเหนื่อยยากสุมซานแรนแค้นมาแทบว่าจะเอาชีวิตไม่รอดช่วงระยะหนึ่งก็ประทานสายใยแห่งชีวิตลงมาให้ เสมือนจะอุ้มชูหล่อเลี้ยงไว้เพื่อให้บุกบั่นต่อไปชีวิตการบุกป่าฝ่าดงของเขาเหล่านี้ก็เช่นเดียวกับชีวิตดิ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ที่อยู่ท่ามกลางนาคอนธรรมนั่นเองอุปมาได้ดุดกันแผ่กันไปก็แต่เฉพาะกรรมวิธีของการเผชิญหน้ากับอุปสรรคเท่านั้นประเดี๋ยวร้อนประเดี๋ยวหนาวประเดี๋ยวหิวโหวยประเดี๋ยวอิ่มหนำหลุ่มลุ่มดอน ด, อ น, ดอนไปตามวิถีทางฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว ภายใต้กำลิกิจมนุษย์ในเมืองผจญกมรสุงชีวิตเหล่านี้โดยวิถีทางอ้อมแต่มนุษย์ที่อยู่ท่ามกลางไพรเถื่อนชุดนี้ประจันหน้าอย่างบริสุทธิ์โดยตรง ซ, งซึ่งซึ่งหน้าไม่นานกลุ่มพรันพื้นเมืองของระพินก็ช่วยกันทยอยแบกหามเนือ้อกลับมาถึงที่พักคนเหล่านั้นทำงานไปพลางผู้จาหยอกล้อเล่นหัวกันอย่างสนุกสนานร่าเริงใจไปพลาง ทุกคนทำงานกันเหมือนเฟืองจัก๊กและทุกคนมีความปราดเปรียวคล่องแคล่วเต็มไปด้วยสมรรถภาพสามารถขี่ปลองดองรักใคร่กันยิ่งกว่าพี่น้องไม่มีใครเอาเปรียบเกียรติคร้านหรือกินแรงใครงานทุกสิ่งทุกอย่างจึงดำเนินลุล่วงไปได้อย่างเรียบร้อยและรวดเร็วมองดูพวกพรานป่าลูกน้องของระพินเหล่านั้นแล้วคณะนายจา้างทุกคนก็ชื่นใจไม่เคยเห็นคนกลุ่มใดจะมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเหมือนกลุ่มเล็กๆสี่ห้าคนนี้ แม้ขยินหรือสางปลาที่มาสมทบภายหลังก็สามารถจะกลมกลืนเข้ากันได้อย่างสนิทคนเหล่านี้ประเดี๋ยวก็มีเรื่องถกเถียงโตคารมกันสักทีหนึง่งประเดี๋ยวก็ด่าทอเตะถีบกันบางทีก็หัวเราะต่อกระซิบ ก, กันด้วยเรื่องลามกหยาบโลนคึกครื้นรื่ น, รนเริงกันได้ในทุกสภาวะแม้แต่ในวินาทีแห่งความเป็นความตายและความกิ่งเหนือสิ่งอื่นใดก็คือเขาทุกคนกลมเกลียวกันได้อย่างดีที่สุด และพร้อมเสมอที่จ ะ, ะเผชิญกับเหตุการณ์ไม่ว่าจะร้ายแรงซักบานใดร่วมกันโดยไม่มีใครเอาตัวรอดทิ้งใครซึ่งคุณสมบัติอันประเสริฐชนิดนี้ยากที่จะหาได้ในกลุ่มคนที่อ้างตัวว่าเจริญแล้วชีวิตของคนเหล่านี้มีการเป็นอยู่อย่างง่ายง่ายเชิงเดียวไม่มีอะไรสลับซับซ้อนมากนักมักน้อยและสันโดดพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ไม่เคยคิดใฝ่ฝันทะเยอะทะยานให้เกินสภาพ ไม่คำนึงถึงอนาคตกินอิ่มนอนหลับในวันนี้พรุ่งนี้จะเป็นยังไงก็ช่างฝากความจงรักพักดีและความซื่อสัตย์สุจริตใจจริงต่อบคุคคลที่เขารักและนับถือตลอดไปความรู้สึกอันเป็นการอ่อนไหวของอารมณ์มีอยู่ไม่นานนักเมื่อหยกยกนี้มีเรื่องตกอกตกใจกันตาเหลือกตาปริ้นแต่อีกไม่นานก็หัวเราะตลกขนองได้อีกแล้วและนี่คือสเสน่ห์ชีวิตของชาวพรยอย่างแท้จริงซึ่งคนช่างคิด ช่างสังเกตอย่างดารินวราฤทธิ์เริ่มจะผูกจิตประทับใจพิสมัยไปเป็นลำดับชำ่เรืองแลพินิษเพ่งไปยังหัวหน้าของบุคคลเหล่านั้นแล้วก็แอบชื่นชมภาคภูมิใจอยู่เงียบๆเขาเกิดมาเพื่อที่จะใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมเหล่านี้อย่างแท้จริงทงั้งๆที่ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้สำหรับชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งผ่านการศึกษาในขั้นสูงและผ่านโลกชีวิตมาแล้วเป็นอย่างดี เท่าๆกับปัญญาชนชาวเมืองทั้งหลายที่จะต้องมาดำรงตนถือสันโดษฝากชีวิตทั้งชีวิตอยู่กับป่าดงพงไพรเช่นนี้น่าเสียดายวิชาความรู้ที่อุตส่าร่เรียนมาน่าเสียดายรูปร่างหน้าตาและศักดิ์ของความหนุ่มชะกันเห็นกันครั้งแรกมีแต่ความมันไส้ชิงชงังเกลียดขี้หน้าเข้ากระดุกดําครั้นแล้วไม่นานนักการเวลาและเหตุการณ์มันผันแปรความรู้สึกเดิมๆไปซะสิส้น เมื่อหล่อนได้รู้จักเขาอย่างแท้จริงขึ้นมารีฮอฟมันไม่จําเป็นจะต้องบอกกับหลอนอย่างเมื่อคืนนี้หรอกถึงตัวหล่อนเองก็ยืนยันได้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนดีเขาดีจริงๆฉันจะเอาเธอกลับไปสู่ความสิวิไลที่เธอพลักจากออกมาแล้วอีกครั้งได้สําเร็จไหมหรือว่าตัวฉันเองจะต้องพลักจากความสิวิไลแห่งนาคอนทำ อันเต็มไปด้วยความสับปลับหลอกลวงเหล่านั้นมาสู่ชีวิตสันโดษด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์ร่วมกับเธอใครจะดึงใครกันแน่นะระหว่างเราทั้งสองแต่ก็จะแปลกอะไรหรือว่ามีปัญหายิ่งใหญ่สักเพียงไหนละ่ะในเมื่อจิตใจของเราสามารถกลมเกลียวประสานกันได้แล้วเช่นนี้บางคราวเธอต้องตามใจฉันเราจะท่องเที่ยวไปด้วยกันในโลกมนุษย์อันกว้างใหญ่ไพศาลแวดล้อมไปด้วยวัตถุธรรม ซึ่งเธอก็คงจะมีสภาพกลมกลืนเข้ากับสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นได้เพราะเธอก็ผ่านพบมาแล้วและบางครั้งเราก็จะกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันตามป่าเขาลำเนาไพรอันงดงามไปด้วยธรรมชาติบริสุทธิ์ซึ่งฉันเองก็เห็นคุณค่ามันได้อย่างดีจากการแนะนำสั่งสอนของเธอห่วงรำพึงของหญิงสาวสะดุดชะงักลงเพียงนั้นเมื่อรู้สึกว่ามีใครวางมือลงบนไหล่จากเบื้องหลัง กลับก็พบดวงตาสีเขียวและรอยยิ้มกว้างๆของเพื่อนสาวต่างผิวซึ่งหลอนไม่แน่ใจว่าจะอ่านทะลุเข้าไปถึงหัวใจได้ปลุกโปร่งเพียงไหนเวลาเรายังมีพอน้อยพี่ใหญ่ให้ฉันมาบอกเธอว่าถ้าจะอาบน้ำก็ได้นะการอาบน้ำชำระร่างกายเป็นการเรียกกำลังได้อย่างดีเยี่ยมสำหรับที่จะบุกบันต่อไปด้วยความแช่มชื่นกระปรี้กระเป่าและโอกาสที่จะหาน้าอาบได้นั้น ก็ดูเหมือนจะยากเย็นซะยิ่งกว่าการหาอาหารซะอีกสำหรับทิศทางกันดานเท่าที่ผ่านกันมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่หล่อนจะต้องปฏิเสธบัดนี้ทุกคนอิ่มหนำและสดชื่นพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายรุดหน้าต่อไปได้ภายในอีกไม่กี่นาทีเบื้องหน้าขณะนั้นยังไม่สายจนเกินไปนักขยินผู้หายเข้าป่าในละแวกใกลเคียงไปมีอาการเหมือนจะดอดไปถ่ายทุกก็วิ่งหน้าตื่นข้ามา องกระส่งเสียงเออะอะเร็วปรือ้อร้องบอกอะไรชนิดหนึ่งกับพรานใหญ่ทุกคนกำลังเตรียมตัวหันขวับไปมองเป็นตาเดียวหิงจอมพรานกำลังส่งภาษาสักถามอยู่และพวกพรานพื้นเมืองทุกคนก็เข้าไปรุมล้อมขยินสี่คนของฝ่ายนายจ้างก็ปราดตรงเข้าไปทันทีอะไรกันระพินเกิดอะไรขึ้นจอมพรานเองในขณะนั้นก็มีสีหน้าตื่นประหลาดใจยิ่งหันมาทางคณะนายจ้างของเขาแปลกมากครับ ขยินมันบอกว่ามันออกไปปลดทุกตรงป่าโปร่งด้านตะวันออกของที่นี่ห่างไม่ไม่เกินหกสิบเมตรนี่เองครับพบกองหินหมู่หนึ่งลักษณะสบายมากอยู่ใกล้แอ่งน้ํำเล็กๆมีต้นปาล์มเก่าแก่ต้นหนึ่งล้มอยู่ที่ลําต้นของปาล์มมีรอยคล้ายๆใช้มีดแกะไว้เป็นตัวอักษรแต่มันอ่านไม่ออกนายจ้างทุกคนลืมตาโพลงเมื่อได้ยินฮ่จริงเหรออ้าวให้มันพาพวกเราไปดูเดี๋ยวนี้สิเชษฐาร้องขึ้นอย่างตื่นเต้น ระพินหันไปส่งภาษาขยินก็พยักหน้าออกเดินนําลิ้วไปอย่างรีบร้อนเชษฐถาสั่งให้พวกพรานทุกคนจัดเตรียมของและรอคอยอยู่ที่นี่ก่อนมีเขาชายันมาเรียและดารินเท่านั้นที่พากันบุก ป, ป่าโปรงติดหลังไปอย่างกระชั้นชิดชั่วไม่กี่อึดใจที่เจ้านักเลงโตลมช่างนําเลี้ยวลัดไปตามทางด่านแคบๆสองฝากทางหนาแน่นไปได้วยโปรงยักษ์ และวัชพืชที่ออกดอกดวงสีสันประหลาดลานตาสลับไปกับไม้ยืนต้นประเภทปาล์มบางชนิดทั้งหมดก็มาถึงบริเวณหนึ่งเป็นซุ้มอันร่มรื่นน่าสบายในวงแวดล้อมของกองหินเราก็มีใครมาจัดเรียงไว้เป็นคูหาภายใต้เงาปกคลุมโปรง่ปรงของเครือเถามีแอ่งน้ำใสตื้นๆซึมออกมาใต้ก้อนหินในลักษณะแอ่งน้ำซับกว้างแค่สาเมตรเป็นรูปว่าวาแหวง เหมือนอ่างน้ำที่ประดิษฐ์เป็นตัวอะมีบาณที่นั้นปามขนาดใหญ่ต้นหนึ่งเป็นซ่าเก่าแก่ล้มคร่อมผาดทับอยู่บนก้อนหินเหล่านั้นมีเหลืออยู่ครึ่งลำต้นส่วนที่ขวางผาดอยู่บนหินสูงจากระดับพื้นเพียงแค่เม็ดเดียวพอขยินชี้ให้ดูพร้อมกับพูดภาษาเกรียงเร็วปรือคณะนายจ้างทุกคนก็ต้องจ้องด้วยความตะลึงตัวอักษรภาษาไทย ที่มีรอยคมกรีดแกะเซาะจารึกไว้นั้นมีขนาดใหญ่และชัดเจนจนไม่จำเป็นจะต้องใช้ความพิจารณาหรือวิเคราะห์อะไรมากนะักเรียกว่าเห็นก็อ่านออกอยู่ทนโทษทีเดียวมาเรียนหน้าตื่นงงเพราะหล่อนไม่สามารถอ่านข้อความนั้นออกรอบสกิดชัยยันกระทิดกระซิบถามเบาที่สุดข้อความนั้นเนะขาเขียนว่ายังไงแล้วใช่เข้าไหมกาแห่งชีวิต อนุชาวรารินานอินสามสิบกันยายนชยันพืมพำรรอ่านข้อความนั้นโดยแปลกลับมาเป็นภาษาอังกฤษช้าๆเสียงแหบสัน่นเชษฐาหลับตาลงเอานี้นิ้วคีบสันจมูกนิ่งไปครู่ก็ลืมตาขึ้นจ้องอีกครั้งส่วนดารินเม้มริมฝีปากแน่นใบหน้าแดงระเรือ่อมือสันน่นน้อย ระหว่างที่กลุ่มนายจ้างของเขายังยืนตะลึงจ้องนิ่งเหมือนถูกสาปอยู่นั้นระพินกวาดสายตาและออกเดินสำรวจไปรอบๆด้านสองคนกับขยินครูใหญ่จึงเดินเข้ามารวมกลุ่มอีกครั้งได้หลักฐานอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างไหมอดีตท่านทูตทหารบกเอ่ยถามขึ้นแผวเบาโดยน้ำเสียงที่บังคับให้ปกติธรรมดาที่สุดไม่พบเลยครับแต่สองคนนั่นมาพักนอนอยู่ตรงนี้แน่นอน และอยู่ที่นี่นานพอสมควรด้วยอย่างน้อยก็ น, นานพอที่จะใช้เวลาเอามีดสลักต้นปาล์มนี้แกะกลุ่มหรือฆ่าเวลาได้แล้วครับก็กะว่าไม่ต่ำกว่าหนึ่งวันไม่ใช่เป็นการผ่านอย่างฉาบฉวยแน่นอนครับหนึ่งปีเจ็ดเดือนกับสิบสองวันนะนับจากวันที่อนุชาจารึกวันเดือนปีไว้ที่นั่นจนกระทั่งเรามาพบเห็นอยู่เดี๋ยวนี้ ชัยยันผู้แม่นยำในด้านปฏิทินพึมพำขึ้นอย่างเลื่อนลอยเหมือนจะกล่าวกับตนระพินจากหลักฐานเด่นชัดที่เห็นกันอยู่นี่เรารู้แน่นอนกันแล้วละ ว, ว่าเมื่อวันที่สามสิบเดือนกันยายนของหนึ่งปีให้หลังมานี่อนุชาและพรานนำทางยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ผ่านมาถึงที่นี่แต่คำว่ากเกาะแห่งชีวิตคุณพอจะเดาออกไหมมันหมายความว่าอะไร เชถาถามในขณะที่ดวงตาทั้งคู่จับนิ่งเหมือนจะเข้าฌานอยู่กับตัวอักษรที่ปรากฏนั้นทุกคนตกอยู่ในอาการตื่นเต้นในทุกครั้งที่ค้นพบร่องรอยอันแสดงถึงการมีชีวิตอยู่ของบุคคลที่สาบสูญอย่างน้อยที่สุดก็ยังมีชีวิตอยู่ณวันเวลาที่ได้ทิ้งร่องรอยหลักฐานนี้ไว้แม้ว่าหลังจากนี้แล้วคณะติดตามทั้งหมดจะตกอยู่ในภาวะเสมือนงมเข็มในมหาสมุทรต่อไปก็ตาม การพบสิ่งที่บอกถึงความมีชีวิตอยู่ย่อมเป็นนิมิต ด, ดีและเป็นความหวังอันแจม่มใสมากกว่าไม่พบอะไรเลยหรือพบว่าได้เสียชีวิตไปแล้วคุณชายครับผมคิดว่าคุณชายอนุชาเมื่อมาถึงที่นี่เห็นเป็นบริเวณชุ่มชื่นอุดมสมบูรณ์ก็เลยตั้งชื่อให้โอเอซิสแห่งนี้ว่าเกาะแห่งชีวิตแล้วก็สลักนามไว้พร้อมกับวันเดือนปีที่ผ่านมา ผมไม่คาดฝันหรือคิดล่วงหน้ามาก่อนเลยนะครับว่าเราจะได้พบร่องรอยครั้งล่าสุดของคุณชายอนุชากระหนานอินที่ชัดเจนถึงเพียงนี้เดี๋ยวนี้ผมก็อยากจะเชื่อว่าทั้งสองคนนั้นบายหน้ามาเส้นทางเดียวกับเราทุกระยะทีเดียวนับตั้งแต่ผ่านบริเวณป่าไม้พันแคคตัสชนิดกินคนที่เราพบหลักฐานเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อสองสามวันก่อนจอมพันกล่าวอย่างระมัดระวังเดินเข้าไปจนชิดรอยสลักนั้น ล่มลงพิจารณาใกล้ๆและเอามือลูบสัมผัส ด, ดูถ้าเช่นนั้นความหวังของเราก็น่าจะใ ก, กล้เข้ามาทุกขณะแล้วสินะเพราะตลอดระยะทางที่ผ่านมาแทบจะเรียกได้ว่าเราค้นพบร่องรอยการล่วงหน้าไปก่อนของบุคคลทั้งสองทุกช่วงระยะทีเดียวครั้งหลังสุดที่เราเห็นอยู่นี่เขก็ยังเขียนวันเดือนปีที่ผ่านไว้อย่างชัดเจนอีกด้วยและทุกครั้งที่พบร่องรอย มันล้วนเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ถึงการมีชีวิตของเขาทั้งสิน้นฉันแน่ใจเต็มเปี่ยมนะว่าเราจะต้องตามพบทั้งสองคนนันมาเรียกล่าวอย่างมั่นใจที่เกิดวูบวาบขึ้นกับตนเองแต่อย่าลืมนะว่าพี่กลางผ่านที่นี่ไปปีครึ่งเลยนะดารินพูดแผ่วเบาอย่างใคร่ครวญหนักและทันทีนั้นหลอนก็ขมวดคิ้วมีอาการเมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้หันขับไปทางชา ย, ยันพูดโดยเร็วว่า ฉ น, นึกออกแล้วชัยันเราน่าจะคำนวณเปรียบเทียบอะไรได้นะเกี่ยวกับระยะเวลาการเดินทางของพี่กลางโดยเอาวันเดือนปีที่เขาสลักไว้นี่แหละเป็นหลักในการคำนวณทุกคนหันมามองดูหล่อนเป็นตาเดียวชัยันทำหน้า ง, งงยังไม่เข้าใจนะักหมายความว่าไงน้อยโถงโง่ไปได้ถ้ น, นึกไม่ออกเหรอล้วเคยพบกรอนที่พี่กลางเขียนจารึกไว้บนก้อนหินใหญ่ก้อนนึง ตอนที่เดินทางออกจากหลุมช้างมาได้เพียงเล็กน้อยและป้ายกรนนอกจากจะลงชื่อไว้แล้วพี่กลางยังลงวันที่ที่เขียนไว้อีกลักษณะเดียวกับที่เราเห็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละเออจริงสินะใช่ ย, ยันลืมตาโผล่ครั้งนั้นน่ะอนุชาเขาลงวันที่ไว้ด้วยฉันยังคํานวณไว้ในครั้งนั้นเลยว่ามันผ่านมานานเท่าไหร่แล้วกับขณะที่เราพบคเขาแต่ฉันยังงงแฮะนึกไม่ออก ก็จะมาเปรียบเทียบกับวันเดือนปีที่เราพบใหม่และคำนวณหาเวลาอะไรได้อย่างไรเฉษฐาก็สายตาสว่างวาวขึ้นมาในทันทีนั้นด้วยปฏิพานอันฉับไวนี่ชยันฉันนึกออกตามที่น้อยพูดแล้วนะอ้าวในสมุดบันทึกของแก่กจดเหตุการณ์ไว้ทุกระยะไม่ใช่เหรออืมใช่ฉนันจดไว้ละเอียดทีเดียวยังลอกอกกรอนที่อนุชาเขียนไว้บนก้อนหินลงในสมุดไว้เลย แล้วแกลงวันที่ที่จะบันทึกเหตุการณ์ต่างๆไว้อย่างถูกต้องวันต่อวันหรือเปล่าล่ะบางวันถ้าเพลียมากๆและไม่มีเหตุการณ์พิเศษอะไรฉันก็ผ่านเลยไปซะไม่ได้บันทึกแต่ถ้าวันไหนบันทึกฉันก็จะบันทึกตรงกับวันเวลาเสมออ่ะถ้างั้นไปเอาสมุดไดอารี่ของแกมาเดี๋ยวนี้แล้วกันแล้วฉันจะบอกแกเองว่าเราจะคํานวณยังไงเร็วสิชายันทําหน้าเซ่อเมื่อเชิถทาร้องเร่งเตือนมาอีกครั้ง ก็เห็นแนบกลับไปที่แคมป์โดยเร็วชั่วครู่เดียวก็วิ่งกลับมาพร้อมกับมีเงยทายติดตามมาด้วยอีกคนหนึ่งในมือถือสมุดแดรี่มาด้วยพอมาถึงก็ส่งให้เชษฐาแต่ท่านหัวหน้าคณะกลับบอกมาว่าในเปิดให้พบหน้าของวันที่แกบันทึกไว้ว่าพบลายมืออนุชาเขียนไว้บนก้อนหินสิก่อนหนึ่งข้อแรกที่สุดเปรียบเทียบกับวันนี้นับดูซิว่าห่างกันเท่าไหร่ ชยันพริกเปิดสมุดบันทึกอย่างรวดเร็วทำนิ้วมือและปากขมุบขมิบนับอึดใจเดียวก็บอกว่าสามเดือนพอดี่ะทีนี้กันนึกออกกัอยังว่าสามเดือนนี่มันหมายถึงอะไรก็หมายถึงระยะเวลาเดินทางของเราเองนับตั้งแต่พบลายมือเขียนครั้งแรกของอนุชาบนก้อนหินนั่นมาจนกระทั่งพบลายมือของเขาอีกครั้งบนต้นปาล์มนี่เอาละคราวนี้คิดใหม่นะ เทียบวันเดือนปีของอนุชาที่จารึกไว้ครั้งแรกกับครั้งที่เราเห็นอยู่นี่ว่ามันห่างกันเท่าไหร่เฉทฐากล่าวต่อมาอย่างรวดเร็วชายันกระพริบตาทีเร็วพลิกหน้าสมุดหาบันทึกเก่าของเขาและนับอีกครั้งหกเดือนอนุชาลงวันที่ไว้บนก้อนหินและที่ต้นปานี่ห่างกันหกเดือนที่นี่กันึกออกอีกไหม 6เดือนที่ว่านี่น่ะมันหมายถึงระยะเวลาของอะไรก็เป็นเวลาการเดินทางของอนุชาจากตำแหน่งก้อนหินนั้นมาถึงต้นปามนี่น่ะสิแล้วอดีตนายทหารปืนใหญ่ซึ่งเพิ่งจ ะ, ะเฉลียวคิดขึ้นมาได้ก็ร้องอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งอย่างงงงันเฮ้ยแปลกจริงแฮ้จากจุดสองจุดที่ถือเป็นหลักนี่ปรากฏว่าพวกเราเดินกันในเวลาสามเดือนส่วนอนุชาเขาเดินหกเดือน เอาะทำไมมันเป็นอย่างนี้วะทุกคนคณะนายจ้างมองตากันไปมาแล้วเบนไปจับที่ระพินผู้ยืนเงียบขรึมอยู่เป็นสายตาเดียวกันแล้วก็ได้ยินเสียงพรานใหญ่เอ่ยขึ้นอย่างสงบสํารวมว่าก็ไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกครับในเรื่องนี้ระหว่างจุดสองจุดที่เราได้เวลาเปรียบเทียบที่แน่นอนนี้เมื่อปรากฏว่าพวกเราใช้เวลาเดินกันสามเดือน ในขณะที่คุณชายอนุชากระนันอินเดินถึงหกเดือนก็ต้องแปลว่าสองคนน่ะเดินอ้อมไปเสียเวลาที่อื่นอีกเท่าตัวของเรานั่นเองผมก็เพิ่งจะมานึกออกถึงหลักของการเปรียบเทียบเวลาได้เดี๋ยวนี้เองเหมือนกันถ้าไม่ใช่เพราะคุณชายกับคุณหญิงฉเฉลียวคิดขึ้นมาก่อนนั่นเป็นวิธีคำนวณหาวิธีเวลาได้ถูกต้องแม่นยำนั่นแหละครับโดยใส่วันเดือนปีที่คุณชายอนุชาเขียนไว้ครั้งแรกกับครั้งที่สองนี่ และนำมาเปรียบเทียบกับวันเดือนปีจริงในขณะนี้เราเดินสกดตามรอยคุณชายอนุชาได้ถูกต้องที่สุดแล้วและยังสงวนเวลาได้มากกว่าที่คุณชายเดินเองซะอีกคือเส้นทางของเราหนดตรงแต่ของคุณชายอ้อมซึ่งในที่สุดก็เข้ามาอยู่ในรอยเดียวกันนั่นเองมาเรียไม่ทราบเรื่องราวมาก่อนแอบกระซิบถามเบาๆกับดารินนักมนุษยวิทยาจึงอธิบายให้เพื่อนสาวต่างผิวทราบว่า คณะติดตามทั้งหมดได้ค้นพบลายมือเขียนกรอนของคนสาบสูนที่กําลังติดตามอยู่ในขณะนี้ในระยะต้นของการเริ่มออกเดินทางจากหลุมช้างครั้งหนึ่งแล้วซึ่งในเส้นทางระยะนั้นเป็นเวลาก่อนหน้าที่คณะทั้งหมดจะเดินทางมาพบกับมาเรียและดร์ฮอฟมันซึ่งหลงป่าอยู่เชยันรอบคอบดีมากนะที่จดบันทึกเหตุการณ์ตามวันเวลาไว้ทุกระยะ มันช่วยเราคำนวณระยะเวลาได้อย่างแม่นยำทีเดียวแม่สาวกล่าวเบาๆแต่มันก็ไม่ช่วยอะไรได้มากกว่าที่จะรู้ว่าเราผ่านรอยตามหลังพี่กลางมาห่างนานสักเท่าไหร่และช่วงระยะจากจุดหนึ่งถึงจุดหนึ่งในเส้นทางเดียวกันนี้พี่กลางใช้เวลาเดินเท่าไหร่ส่วนเราเดินเท่าไหร่นอกเหนือไปกว่านั้นก็ยังเป็นความมืดมนที่จะต้องค้นหากันอย่างเลือดตากระเด็นต่อไป ดารินครางอย่างท้อแท้ทอดอะไรน้ําตาคลอขยินพูดอะไรอยู่กับพรานใหญ่สองสามคำแล้วก็เอ่ยขึ้นลอยๆด้วยเสียงอันมั่นคงหนักแน่นว่านายขยินกล้าวหัวเป็นประกันทําแห้ว่าลายมือที่เขียนไว้บนต้นปาบ น, นี่เป็นรอยมือแกะด้วยมีดของชายคนที่ชื่อนายชดและมีชื่อนานอินอยู่ด้วยตามที่พรานใหญ่บอกให้ขยินรู้ ทั้งสองคนนั่นจะยังต้องมีชีวิตอยู่และเราต้องตามพบแน่ๆเมื่อระพินแปลข้อความให้คณะนายจ้างฟังดารินก็ถามว่าทาไมขยินถึงมั่นใจอย่างนั้นล่ะขยินไม่รู้จักนายชดมากนักรอกนายหญิงแต่ขยินรู้จักหนานอินดีที่สุดในชีวิตของขยินรู้จักพรานใหญ่อยู่สามคนที่ไม่มีพรานไหนอีกแล้วจะยิ่งใหญ่เท่า คนหนึ่งคือพรานใหญ่หนานไพซึ่งตายไปแล้วคนที่สองคือพรานใหญ่ระพินที่ยืนอยู่นี่และคนที่สามคือพรานใหญ่หนานอินที่ไปกับนายชดขอให้เจ้านายทุกคนวางใจเถิดท่านานอินยังไม่ตายสะก่อนนายชดก็ไม่ตายทั้งสองคนบุกดงอันตรายสารพัดสิ่งมาจนถึงที่นี่ได้แล้วทําไมก็ถึงจะบุกต่อไปอีกไม่ได้ขอบใจมากขยิน คำพูดของเจ้าทำให้พวกเรามีกำลังใจขึ้นอีกมากชเชเชษฐาบอกเข้ามาตบไหลอันกว้างใหญ่ของเจ้าองคุริมานแห่งไพรกว้างแล้วพยักหน้ากล่าวชวนให้ทุกคนบายหน้ากลับที่พักเพื่อเริ่มต้นออกเดินทางในทันทีทั้งหมดในกลุ่มนั้นเดินล่วงหน้าไปก่อนแล้วคงเหลือแต่เพียงระพินไรวันกับแง่ทรายยืนประจันหน้าแลตากันอยู่เงียบ ดวงตาอันสุกใสของเจ้าคนผนเงจรเหลือบลงมายังหลักฐานที่ปรากฏอยู่บนซากลำต้นป่าแล้วชามากลับมาจับอยู่ที่ใบหน้าเขาพร้อมกับรอยยิ้มน้อยๆแกยิ้มหยันฉันใช่ไหมเรื่องอะไรไม่ทราบครับผูบ้กอก็ในชัยชนะของแกในข้อที่พาคณะเจ้านายทุกคนเดินทางมาจนกระทั่งพบรอยของคนสาบสูญเขาอีกจนได้ไงในขณะที่ฉันอยากจะคิดว่าเขาได้ตายไปซะและ้ว ใช่ชนะที่แกสามารถจูงใจให้ทุกคนก้าวตามแกต่อไปยังหนทางเบื้องหนะ้าในขณะที่ฉันพยายามจะกลับหลังไงผู้กองครับผมพบร่องรอยนี้ก่อนขยินจะอีกนะครับแต่ผมไม่อยากจะบอกให้ผู้กองที่เจ้านายทั้งหลายทราบก็เพราะเกรงว่าผู้กองจะเข้าใจอย่างนี้ล่ะครับกล่าวจบแงาซายหัวเราะแผ่วเบ า, บาก้มศรีรษะให้นิดนึงแล้วเดินผักไป เมื่อพ้นออกมาจากบริเวณป่าปามหรืออีกนายหนึ่งเกาะแห่งชีวิตตามที่บุคคลสาบสูนย์ได้จารึกตั้งนามเอาไว้แงาซายนำบ่ายหน้าขึ้นทิศเหนือเป็นมุมตรงทั้งหมดเดินไปตามรอยเท้าที่เหยียบทิ้งไว้ให้เห็นชัดของมหายักษ์ไทรัน่นช่วงระยะหนึ่งประมาณกิโลเมตรเสร็จต่อมาเมื่อถึงบริเวณอันครุกระสูงสูงต่ำตำของยอดหินที่ขึ้นกันเบียดเสียดหนาแน่นก็เห็นรอยของเจ้ยายักษ์ใหญ่ เลี่ยงเบนออกทางตะวันตกเฉียงเหนือเพราะสภาพของภูมิประเทศมองเห็นได้ชัดว่าไม่สะดวกในการไปของสัตว์ซึ่งมีรูปร่างใหญ่โตเกะกะอย่างมันฮึล่งอกไปสะทีนึงที่แยกจากรอยของมันซะได้ชยันพูดเบาๆ เ, เ, เมื่อทิ้งรอยเท้าของไอ้ยักษ์ให้แยกอ้อมไปซะทางด้านหนึง่งในระหว่างที่ทุกคนเริ่มจะไต่เนินหินกรุขระขึ้นเบื้องสูง แต่จาเพิ่งไว้ใจนะเราอาจพบมันรอคอยอยู่ในหนทางข้างหน้าเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้เชี่าเตือนให้เร่งระวังตัวทุกขณะสำหรับวันนี้อาการเรื่องขาขัดข้องกระเพกพิการของเขาเกือบจะเรียกได้ว่าปกติแล้วความแคล่วคล่องปราดเปรียวกลับคืนมาเหมือนเดิมเพียงแต่ทิ้งความห่วงระแวงไว้แก่พักพวกที่รู้เส้นแล้วทั้งหลายว่ามันอาจเกิดพุททุพพลภาพซ้ำขึ้นอีกเมื่อไหร่ก็ได้ ถ้าได้รับความกระทบกระเทือนในระยะต้นของการออกเดินรัปินไพร์วันมักจะเกาะกลุ่มอยู่ใกล้ชิดกับหมู่คณะนายจ้างของเขาเสมอเพื่อฟังข้อคิดเห็นหรือบอกถึงแผนการเดินให้ท่านหัวหน้าคณะได้รับทราบแล้วหลังจากนั้นประมาณสักหนึ่งชั่วโมงให้หลังทุกคนจึงจะเห็นเขาเร่งฝีเท้าขึ้นเดินไปอยู่หัวขบวนหรือมิฉะนั้นก็อ้อมไปสังเกตลาดเหลารังทาย ในกรณีที่เกิดสถานการณ์อันไม่น่าไว้วางใจขึ้นและในขณะนี้จอมพนก็ยังเดินรวมกลุ่มอยู่กับบุคคลเหล่านั้นสิ่งที่เขาพอใจอย่างยิ่งก็คือเมื่อพ้นจากบริเวณโอเอซิสแห่งนั้นมาแล้วร่องรอยของแผ่นดินไหวแทบจะไม่ปรากฏให้เห็นยังภูมิประเทศแถบนี้เลยนั่นหมายถึงว่าอำนาจความสั่นสะเทือนจางลงเต็มที่ไม่ทาให้ภูมิประเทศเดิมต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่คิดวิตกไวแต่แรก การเข้าสู่ที่หมายในลายแทงและคลาเส้นทางในระยะเบื้องหน้าจึงย่อมไม่มีอุปสรรคนักเท้าก้าวเดินได้ระดับสม่าเสมอไปเรื่อยๆเคียงข้างนายจ้างทั้งหลายตาทำหน้าที่กวาดมองรอบด้านริมทางผ่านทั้งใกล้และไกลาตามพื้นดินและแม้แต่ท้องฟ้าเบื้องบนส่วนสมองก็ใช้ความคิดอย่างหนักนานๆก็จับสายตาอยู่ที่เบื้องหลังของคู่หบระหว่างแง่ทรายและยิน ที่ดุมนำอยู่เบื้องหน้าสักครั้งคนคู่นั้นเดินอย่างชนิดไม่ห่วงหลังแต่เร่งฝีเท้าทำเวลาอย่างเต็มที่เหมือนจะเร่งให้ทุกคนทวีฝีเท้าขึ้นด้วยแล้วพวังคิดของเขาก็ถูกปลุกเมื่อแววเสียงเรียกนามจากท่านหัวหน้าคณะระพินการพบหลักฐานครั้งล่าสุดของอนุชานี่ให้ข้อคิดอะไรกับเราหลายๆอย่างทีเดียวคุณคิดอย่างนั้นไหม คุณชายคิดยังไงบ้างล่ะครับประการแรกทีเดียวนะมันทําให้เราน่าจะเชื่อได้ว่าในช่วงระยะหลังนี่เราตามรอยอนุชามาอย่างถูกทางและกระชั้นชิดที่สุดไม่เหมือนกันในตอนแรกๆซึ่งมืดมนเดาสุม่มเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรช่วงหลังนี่ผมเชื่อว่าเราเดินทับรอยอนุชามาทีเดียวแล้วสมมุติว่าถ้าไม่เกิดแผ่นดินไหวขึ้นเราก็น่าจะได้เห็นร่องรอยต่างๆของเขาเป็นรายทางมา จนกระทั่งถึงป่าปามนั่นทุกระยะผมก็อยากจะมั่นใจอย่างนั้นแะครับแล้วคุณคิดบ้างไหมว่าอนุชาฤๅนานอินน่ะเขาใช้อะไรเป็นหลักเกณฑ์ในการเดินทางของเขาจอมพรานรีตาลงคุณชายครับก็อย่างที่ผมได้เคยเรียนคุณชายไว้แล้วครั้งหนึ่งคุณชายอนุชาฤๅษานอินน่ะเขาอาจจะมีแผนที่หรือลายแทงฉบับที่ใกล้เคียงกับฉบับของเนวินซึ่งผม ซึ่งมอบว่าซึ่งมอบให้ผมไว้แผ่นนี้ก็ได้เพราะอะไรต่ออะไรหลายอย่างเกี่ยวกับร่องรอยของบุคคลทั้งสองซึ่งเราค้นพบในการเดินตามเส้นทางของเขาน่าจะพิสูจน์ได้เช่นนั้นที่แรกผมก็ยังไม่แน่ใจนักนะครับแต่เมื่อเห็นหลักฐานการมาถึงและหยุดพักที่ป่าปามนั่นก็น่าจะเดาได้ว่าจุดหมายอันดับต่อไปของบุคคลทั้งสองก็ควรจะเป็นทะเลสาบมรณะอันเป็นจุดหมายเดียวกับที่เรากําลังบ่ายหน้าไปอยู่เดี๋ยวนี้ มันก็เข้าคาวอยู่นะผู้กองนะสำหรับสมมุติฐานของคุณในข้อนั้นเชยันซึ่งรวมกลุ่มและได้ยินคำพูดของบุคคลทั้งสองอยู่ด้วยสอดแทรกมาการตั้งชื่อโอเอซิสแห่งนั้นว่าเกาะแห่งชีวิตนี่ก็เป็นเหตุผลอีกข้อหนึ่งที่ควรจะเชื่อได้ว่าอนุชาและหนานอินรู้ที่หมายทะเลสาบมรณะล่วงหน้าอยู่ก่อนแล้วจึงได้ตั้งชื่อไว้ด้วยความหมายที่เหมาะสม และเป็นตรงข้ามกันขึ้นไว้ตำแหน่งอันอุดมสมบูรณ์นั้นใครไปถึงก็หมายถึงได้รับความชุ่มชื่นสามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้เขาจึงตั้งชื่อไว้เช่นนั้นและถัดไปจึงจะถึงทะเลสาบมรณะซึ่งให้ตายเถอะฟังตามชื่อของมันแล้วก็ทาให้รู้สึกเหมือนกับว่าใครก็ตามที่จะบุกบั่นเดินทางไปก็คงจะไปพบจุดมรณะเอาที่นั่น ชื่อมันอาจจะน่ากลัวเช่นั้นเองแล้วครับเราเชื่อว่าเราจะต้องไปถึงมันและผ่านพ้นไปได้ด้วยโชคชัยอย่างน้อยที่สุดคนเขียนลายแทงและตั้งนามไว้คือมังมหานรธาก็เคยผ่านพ้นมันไปได้ก่อนหน้าเราแล้วในครั้งกระโน้นนะครับแต่เขาก็ตายไม่ใช่เรอแต่เขาไม่ได้ตายที่ทะเลสาบมรณะนะครับเงียบกันไปอีกครู่หนึ่งมีแต่เสียงฝีเท้าซึ่งย่าไปตามพื้นกรวดทราย แล้วหมอดารินก็ถามขึ้นลอยๆว่าเหลือกี่วันเนี่ยที่เราจะต้องไปให้ถึงเนินพระจันทร์ในวันขึ้นห้าค่ำเดือนสิบสองสิบเก้าวันครับพรานใหญ่ตอบเคร่งขรึงเชิดถายกนาฬิกาข้อมือขึ้นเช็ควันที่และพยักหน้ารับรองมาอีกคนถูกต้องนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็จะเหลือเวลาอีกสิบเก้าวัน สมมติว่าเราถือเอาวันขึ้นห้าค่ำเดือนสิบสองเป็นหลักเกณฑ์ในการจะเปิดทางขึ้นเทือกเขาพระศิวะนี่เป็นแต่เพียงสมมุติเท่านั้นนะขอให้ทุกคนลองช่วยกันคิดในข้อนี้หน่อยคือขณะนี้นะเรารู้กำหนดแน่นอนว่าหรือเวลาสำหรับเราอีกสิบเก้าวันที่จะต้องเดินทางให้ถึงเนินพระจันทร์ตามวันเวลาดาังกล่าวและสาหรับพี่กลางกันนานอินขณะที่เขาเดินทางมาถึงกเกาะแองชีวิต เขาเหลือเวลาอยู่อีกสักเท่าไหร่สำหรับวันห้าค่ำเดือนส2องน่ะทุกคนเริ่มเอะใจและสะดุดเข้ากับความคิดบางอย่างชนิดกระทันหันเมื่อได้ยินคำพูดของดารินย้อนกลับไปถึงวันที่สาสิบกันยายนปีก่อนที่อนุชามาถึงนี่ก็หมายถึงว่าเขากันันอินจะมีเวลาอีกเดือนเศษหรือสาสิบกว่าวันก่อนจะถึงห้าค่ำเดือนสองในรอบปีที่แล้ว เชยันตอบเร็วๆเออคราวนี้ก็ลองเปรียบเทียบดูสิระหว่างเรากับเขาในขณะที่มาถึงเกาะแห่งชีวิตด้วยกันพวกเราเหลือเวลาสิบเก้าวันส่วนเขาเหลือเวลาอีกสามสิบกว่าวันมันน่าจะแปลความหมายอะไรได้บ้างเหมือนกันในกำหนดระยะเวลาที่ใกล้เคียงนี้ความหมายอะไรเพื่อนชายหน้าตื่นร้องออกมาอย่างสงสัย ระพินกระเชิฐถาก็จ้องหน้าราชสกุลสาวเขม็งเป็นตาเดียวส่วนมาเรียตาเป็นประกายสว่างขึ้นน้อยฉันคิดว่าฉันพอจะเดาความหมายของเธอถูกนะถ้าต้องการจะเน้นชี้ให้พวกเราเห็นว่ากำหนดเดินทางของเรากับของคนสาบศูนโดยการมุ่งเข้าสู่เนินพระจันทร์ในวันขึ้นห้าค่ำเดือนส2บสองใกล้เคียงกันที่สุดซึ่งน่าจะแปลความต่อไปได้ว่าทั้งสองคนนั่น ย่อมจะรู้ที่หมายและกําหนดเวลาดังกล่าวนี้เหมือนกับเราเหมือนกันใช่ไหมคือจะต้องไปให้ถึงเนินพระจันทร์ตามวันเวลานั้นชนิดพลาดไม่ได้ดารินก้มศีรษะลงใช่ฉันคิดเช่นนั้นมิฉะนั้นทั้งพี่กลางและพวกเราจะคลําเข้าสู่เส้นทางนี้ในเวลาที่ไล่เลี่ยใกล้เคียงกันได้ยังไงยกเว้นแต่ว่ามันจะเป็นการบังเอิญประจวบเหมาะอย่างที่สุดพี่กลางกัะหน่นอินน่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่า การตัดเทือกเขาพระศิวะให้ได้นั้นเขาจะต้องเร่งการเดินทางให้ถึงเนินพระจันทร์ตามวันดังกล่าวซึ่งจะมีได้เพียงวันเดียวในรอบปีเท่านั้นและถ้าความเข้าใจตามเหตุผลของฉันนี่ถูกต้องพี่กลางกระนันอินก็จะต้องมีหลักและรู้รหัสลายแทง <c oughs> เช่นเดียวกับพวกเราทุกอย่างมันก็น่าจะจริงอย่างที่คุณหญิงให้ข้อคิดมีเหตุผลมากทีเดียวครับที่จะเชื่อได้เช่นนั้น พลานใหญ่กล่าวเสียงต่ำข้าวหน้าเต็มไม่ได้วแววไคร่ครัวหนักเชษฐาชายันและมาเรียก็เริ่มจะมองเห็นอะไรได้รำไรในคำพูดของดารินระพินคุณแน่ใจหรือว่าคุณไม่ได้เขียนข้อความลงในโน้ตที่ฝากนานอินเพื่อเอาไปให้อนุชาได้บอกเขาถึงกำหนดเวลาตายตัวซึ่งจะต้องไปให้ถึงเนินพระจันท์ให้ได้ในวันขึ้นหค่าเดือนบ และผลจากข้อความที่คุณเขียนบอกนั่นเองอนุชากนันอินจึงบ่ายหน้ามาในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับช่วงเวลาของเราขณะนี้ชยันถามจอมพรานสันสีสะอย่างมั่นใจผมยืนยันได้ครับผมไม่ได้เขียนบอกกำหนดเวลาหรือปริศ น, นาในลายแทงนี้ลงไปในโน้ตนั่นด้วยแน่นอนจะบอกก็แต่เพียงว่าให้แยกขึ้นเขาอันเป็นลักษณะเหมือนเต้านมหรือถันซีกซายเท่านั้นเองครับ ถ้างั้นก็ต้องแปลว่าอนุชาควรจะรู้กำหนดเวลาซึ่งตรงกับลายแทงนี้สั่งไว้มาก่อนเหมือนกันอย่างที่น้อยตั้งข้อสังเกตเชิดท้าว่าระพินเ ม, ม่ริมฝีปากแน่นตาแลอย่างปลาสะจากจุดหมายไปเบื้องหน้าซึ่งไม่มีอะไรนอกจากยอดหินยอดแล้วยอดเล่าถ้าเป็นฉากระเกตระกะติดอยู่กับแผ่นฟ้าสีเทาหน่าคิดน่าคิด เดี๋ยวนี้ผมก็รู้สึกเหมือนกันนะว่าคุณชายอนุชาและพรานนำทางคงจะไม่เดินทางกันมาอย่างเลื่อนลอยเกินไปนักอย่างน้อยทั้งสองคนก็จะต้องมีหลักยึดในแนวนำทางชนิดให้ความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมทีเดียวมิฉนั้นก็คงไม่กล้าเสี่ยงกันถึงเพียงนี้หรอกอะเราลองมาสมมุติกันอีกครั้งหนึ่งมาเรียเออย่างระมัดระวังถ้าพี่ชายของน้อยและพรานนาทางมุ่งเข้าสู่เนินพระจันทร์ ทันเวลาตรงตามกำหนดจริงดังเช่นที่เขาทั้งสองมุ่งหมายไวย้ก็ควรจะแปลว่าเขาทั้งสองจะต้องชเผชิญกับการแก้ปริศนาของคนตายเมื่อสี่ร้อยปีก่อนนี้เหมือนเหมือนกับที่เรากำลังเตรียมไปแก้กันอยู่ไม่ใช่เหรอก็เป็นได้สองนัยยะนะระพินตอบเขาอาจจะรู้รหัสคำแปลมาเป็นอย่างดีแล้วหรือวิชานั้นก็ไปแก้ปริศนาเอาเมื่อถึงที่นั่นแล้วอย่างเหตุการณ์เฉพาะนะ้า ผลก็คือมีอยู่สองหนทางคือหาทางตัดขึ้นเทือกเขาพระศิวะได้สําเร็จกับล้มเหลวถ้าเช่นนั้นเมื่อเราไปถึงเนินพระจันทร์เราก็ควรจะต้องได้ร่องรอยของทั้งสองคนนั่นสินะในการที่จะวินิจฉัยในสองประเด็นนี้ไม่ใช่เหรอก็ยังมั่นใจแน่นอนอะไรไปไม่ได้หรอกครับผมภาวนาอยู่ว่าเมื่อเราไปถึงเนินพระจันทร์ คอยเห็นหลักฐานร่องรอยของสองคนนั่นอีกสักครั้งเถอะมันจะทําให้ความหวังของเราใกล้เข้าไปอีกเราทุกคนในที่นี้ก็ยังไม่เคยรู้หรือเคยพบเห็นด้วยตาตนเองมาก่อนว่าเนินพระจันทร์มีพื้นภูมิมีประเทศเป็นยังไงแน่รู้และประมาณกันได้เราเราก็จากแผนที่ลายแทงเท่านั้นคุณเชื่อว่าเราจะหาทางตีปริศนานี้ออกไหมในที่สุดดารินก็อดไม่ได้ที่จะแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ ตามภาษาคนช่างคิดช่างวิตกและทุกคนก็สังเกตเห็นว่าแพนใหญ่ อ, อึดอัดลําบากใจอย่างยิ่งในการที่จะต้องตอบในสิ่งที่เขาคาดคะเนไม่ได้เหมือนกันเชื่อถาซึ่งรู้ใจอยู่แล้วก็ตัดมาว่ามันไม่มีประโยชน์นะที่จะไปโมวิตกวิจารณ์อยู่ในเรื่องนั้นเมื่อไปถึงที่เราจะรู้กันเองแล้วว่าเราจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้หรือไม่ ตามปกติเราก็ใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้ลุล่วงมาเป็นปลาะเปละแล้วนี่การคาดคะเนระนึกทํานายเหตุการณ์ล่วงหน้ามันไม่ยด้ประโยชน์อะไรขึ้นมานี่น้องสาวกลับแย้งอย่างมีเหตุผลว่าอุปสรรคทุกชนิดที่เราฟันฝ่าลุล่วงมาได้แล้วขึ้นอยู่กับการปรึกษาหารือและคิดค้นหาคาตอบไปเนิ่นๆของพวกเราไม่ใช่หรือครับพี่ใหญ่สมมติฐาน หือการเตรียมคาดคะณีเหตุการณ์ไวล่วงหน้าเท่านั้นที่จะช่วยให้เราแก้ไขปัญหาได้สะดวกขึ้นแล้วหล่อนก็หันไปทางพรานใหญ่เอาละฉันจะตั้งคําถามใหม่ที่ช่วยคุณตอบง่ายขึ้นเท่าที่สังเกตมาตลอดเวลานะคุณกระแงทรายมีความในในเรื่องเส้นการเดินทางของเรานี่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ค่อยจะบอกให้พวกเรารู้ซะด้วยเพราะความไม่ค่อยจะช่างพูดของคุณนั่นแหละแงทรายก็เหมือนกัน เขาไม่เคยบอกอะไรพวกเราสองคนเล่นรู้กันเองปล่อยเราโง่อยู่เสมอคุณหญิงยังไม่เห็นตั้งคําถามอะไรผมนี่แต่ตำหนิใช่มากกว่าฉันก็จะถามว่าแง่ทรายนะ่ะรู้ถึงปริศนาลายแทงนี้ด้วยหรือเปล่าผมเคยเรียนให้คณะเจ้านายของผมทราบแล้วนะครับว่าแง่ทายรู้ว่าเราจะต้องเดินไปให้ถึงเนินพระจันทร์ตามกําหนดเวลานั้น ซึ่งการรู้ของเงาทรายในข้อนี้ยังไงที่ทําให้ผมเข้าใจผิดว่านึกว่าคุณหญิงแอบบอกอย่างที่เคยมีเรื่องกันมาแล้วนั่นน่ะมันเรื่องหนึ่งไม่เกี่ยวกันฉันหมายถึงปริศนาลายแทงที่บอกใบไว้ว่าปินพระศิวะฉายแสงแล้วก็จะเห็นเส้นทางตรงนี้เงาทายรู้ด้วยหรือเปล่าพรานใหญ่ถอนใจลึกดารินวราฤทธิ์เป็นคนละเอียดและเฉียบไวจริงๆ ในด้านไหวพริบสติปัญญามีหนำซ้ำยังทำท่าจะเป็นนักสอบสวนชั้นดีซะอีกด้วยก็คุณสมบัติประจำตัวชนิดนี้ของราชสกุลสาวนี่แหละที่เป็นพลังอันแข็งแกร่งยิ่งพลังหนึ่งของคณะเดินทางชุดนี้เพื่อฟันฝ่าคลี่คลายอุปสรรคทั้งหลายแหลให้รู้ล่วงสำเร็จผลมาได้โดยตลอดทุกระยะหล่อนยุง่งและจุกจิกกวนใจก็จริงแต่เขาก็ยอมรับว่าเต็มไปด้วยเหตุผลที่น่ารับฟัง และปฏิเสธไม่ได้แงซายไม่ได้บอกผมหรอกครับว่ามันรู้เรื่องเกี่ยวกับมีปริศนากากับอยู่ในลายแทงนี่หรือเปล่าแต่การบางอย่างที่มันแสดงออกต่อหน้าทำให้ผมเชื่อว่ามันควรจะรู้เท่าเท่ากับพวกเราในขณะนี้เหมือนกันในที่สุดเขาก็ตัดสินใจเปิดเผยอาการแสดงออกยังไงล่ะคณะนายจ้างยิงคาถามมาพร้อมกันเป็นเสียงเดียวราวกันนัดไว ระพินมองจับนิ่งไปยังเบื้องหลังของร่างสูงใหญ่ที่เดินนําอยู่เบื้องหน้านั้นอีกครั้งก็เป็นปริศนาตามเคยล้วครับตามบุคลิกอันแสนจะลึกลับของมันคือมีอยู่คืนหนึ่งที่ผ่านมาแล้วนะครับดูเหมือนจะเป็นคืนเดียวกับที่ในตอนหัวค่าผมได้เรียนเปิดเผยให้เจ้านายทั้งหลายทราบถึงเรื่องเนินพระจันทร์และปริศนาลายแทงนั่นแหละครับในตอนดึกผมมีโอกาสพบแงซ า, ายตามลําพังสองสองคน มันก็เน้นบอกผมเกี่ยวกับเรื่องกำหนดเวลาขึ้นหขัค่ำเดือน12บสองที่เราจะต้องไปให้ถึงเนินพระจันทร์ผมไม่ได้ขาดคันถามมันว่ามันรู้มาได้ยังไงจากไหนเพราะเข้าใจว่ารู้มาจากนายจ้างของผมอย่างที่บอกแล้วขณะที่พูดกันถึงเรื่องนั้นผมเห็นแง่ทรายเอาถ่านจากกองไฟเขียนอะไรเล่นขยุกขยิกลงกับพื้นหินตรงหน้าซึ่งผมก็ไม่ได้สนใจนักว่ามันเขียนอะไรตะโมองมันพลักไปแล้ว ผมส่องไฟฉายไปเห็นเขาโดยบังเอิญเขาเว้นระยะหัวเราะแผ่วต่ำอยู่ในลำคอเดาว อ, อกไหมครับว่าเงาทายเขียนภาพอะไรโดยเจตนาจะทิ้งไว้ผมเห็นนะทุกคนหูพึ่งจ้องหน้าเขาเขม็ง้ะพินจึงกล่าวต่อไปอย่างแช่มช้าชัดเจนว่าภาพที่มันเขียนไว้ก็คือภาพจำลองของลายแทงคัดส่วนออกมาเฉพาะตาแหน่งเนินพระจันทร์ถูกต้อง ตรงกระลายแทงของมังมหานรธาฉบับที่เราใช้นำทางนี่มากที่สุดยิ่งไปกว่านั้นยังสเก็ตเป็นภาพของเทวรูปพระศิวะในท่าประทับนั่งอยู่ทางด้านตะวันตกของเนินพระจันท์มีจันเสียวแตะติดมุ่นผมเป็นปิ่นทั้งหมดอุทานอะไรออกมาเป็นคำเดียวอย่างงุนงงประหลาดใจแงาซายนั่นหรอเขียนรูปพระศิวะพร้อมกับปิ่นจันเสียวดารินร้อง ผมยังจำภาพที่มันเขียนได้อย่างติตาใช่ไหมครับแล้วคุณถามมันหรือเปล่าว่ามันหมายความถึงอะไรที่เขียนภาพเช่นนั้นเชิฐานักโดยเร็วยางสนใจยิ่งผมไม่ได้ถามครับแต่ภาพที่เงยสายเขียนทิ้งไว้ผมดูนะมันเท่ากับเป็นการบอกบายให้ผมรู้ว่ามันเองก็รู้ความในของปริศนาข้อนี้คือข้อที่ลายแทงระบุไว้ถึงปิ่นพระศิวะหาไม่เช่นนั้น มันจะวาดภาพให้เห็นเป็นการเน้นถึงจุดนี้ทำํำไมในลายแทงมีแต่แผนที่ของเนินพระจันทรแต่งแง่ทรายเขียนรูปพระศิวะทรงจันทร์เป็นปินป่นลงไปด้วยทางด้านตะวันตกของเนินพระจันทร์เห็นไหมฉันว่าแล้วนี่ทําไมสอบถามคาดคั้นกันออกมาคุณก็ไม่ยอมบอกเราเกี่ยวกับท่าทีแปลกๆของแง่ทรายในเรื่องนี้หรอกฉันนะ่ะนึกสังหอนอยู่ตลอดเวลาแล้วเชียว ว่าแง่สายน่าจะต้องรู้ความในของปริศนานี่อยู่ด้วยอ่าแล้วคุณคิดยังไงอ่ะจะปล่อยให้มันเป็นปัญหาอยู่งี้เหรอทั้งๆ ท, ที่คุณก็รู้อยู่แล้วว่าแง่สายก็รู้ถึงเรื่องนี้อยู่นี่ถ้าฉันเป็นคุณน่ยฉันจะซักถามแง่สายมันกระจ่างออกไปทีเดียวแล้วพินเมียการอึดอจจัดใจแล้วตอบโดยเคร่งขรึมว่าผมมองไม่เห็นความจําเป็นยังไงเลยนะครับที่จะต้องซักถามอะไรแง่สายในเรื่องนี้ให้เสียเวลา ผมรู้ว่ามันก็ต้องรู้ยิ่งกว่านั้นยังรู้ด้วยว่าไม่ว่าเงาทายจะอมความลับเหลี่ยมคูของมันไว้เช่นไรเมื่อเวลาจำเป็นสุดยอดมาถึงมันก็จะต้องเปิดเผยออกไปให้เราทราบเองไม่ทางตรงก็ทางอ้อมล้วรอดูมันเมื่อถึงเวลานั้นดีกว่าครับผมมีหน้าที่ที่จะต้องคิดค้นหาทางตัดเทือกเขาประสิวะให้ได้ตามหน้าที่พรานนาทางของผมส่วนเจ้าเงาทายนั่นก็มีความปรารถนาส่วนตัวของมันเองอยู่แล้ว ที่จะหาทางขึ้นให้ได้เหมือนกันวัตถุประสงค์ข้อนี้ไม่ขัดกันเพราะฉะนั้นเมื่อไปถึงเนินพระจันทร์และเมื่อเรารเผชิญหน้ากับปริศนาลายแทงที่กําหนดไว้ต่อให้เราจนปัญญาหาทางขบกันไม่ออกเงยสายก็จะต้องคลี่คลายปัญหานี้เองถ้าหากว่ามันรู้จริงไม่ต้องไปเตือนมันให้ยากหรอกครับแล้วก็ไม่ต้องไปขอปรึกษาอะไรให้มันนึกยิ้มเยาะอยู่ในใจด้วยระวินผู้ถูกแล้วล่ะ เราไม่ต้องเดือด ร, ร้อนใจอะไรในเรื่องนี้หรอกท่านหัวหน้าคณะหันไปกระซิบกับ น, น้องสาวโดยลำพังโดยเฉพาะระพินนะ์นะรุทันแงซายหยุดทุกฝีก้าวย่างแล้วอีกอย่างนึงน้อยนะยังไม่เข้าใจถึงเหลี่ยมครูของนักเลงอันเป็นเรื่องของลูกผู้ชายชาติเสือโดยเฉพาะจริงอยู่เราในฐานะนายจ้างก็อยากจะเห็นลูกจ้างหรือคนในบังคับบัญชาหนะักลมเกลียวร่วมมือกันอย่างดีที่สุดแต่เราก็ต้องเห็นใจระพินเหมือนกันนะ ไอ้จะไปบีบบังคับให้เขาต้องเสียเหลี่ยมงอนง้ออะไรแงซา ย, ายซึ่งอยู่ในฐานะรองนะมันไม่ได้เจ้านัหนัดมันเหลี่ยมจัดคอยเฉือนเขาอยู่ในในเสมอปล่อยรพินแก้ลำเองดีกว่าถึงยังไงก็ไม่เสียผลประโยชน์ส่วนใหญ่ของเราหรอกรพินรู้อยู่แล้วว่าแงซ า, ายบิดพริ้วหรือกระดิกไม่ได้สําหรับจุดหมายปลายทางที่เราจะมุ่งไปก็ธุระอะไรจะต้องให้เขาไปตามต่อแยถามมันในเสียเชิงมันเป็นเหตุผลในทางส่วนตัวของเขา ซึ่งไม่เสียงานของเราก็อย่าไปก้าวไกลยุ่งกับเขาดีกว่านะเอาเป็นว่าถ้างั้นถ้ามีโอกาสน้อยจะถามแงซาให้รู้เรื่องไปเองแล้วกันสองคนนี่ไม่รู้จะคุมเชิงเอาเหลี่ยมเอาคูกันไปถึงไหนจริ ง, รงๆนะครับพี่ใหญ่เบื่อน้องสาวบนคลางสันหน้าช้าช้าบัดนี้คนที่ถูกกล่าวขวัญถึงเร่งฝีเท้าตัดหน้าทิ้งระยะห่างออกไปแล้วจนขึ้นไปเคียงกับหัวขบวนเพื่อตัดบท ไม่ให้ตนเองต้องผเผชิญกับคำซักไซจุกจิกกวนใจทั้งมวลจากน้องสาวคนสวยของนายจ้างทิ้งกลุ่มสี่คนจับหมูเดินพลางหารือกันไปพลางโดยเฉพาะ <c oughs> ผู้กองครับถ้าไม่ถือว่าเป็นการเสือกผมอยากจะพูดราสีหน้าของผู้กองไม่สบายใจนักนะครับไม่ได้หันมามองแม้แต่นิดเดียวนอกจากจะเดินแบกหาบดุมดุมไปเบื้องหน้า ไอ้คนลึกลับที่กินในกันอยู่ตลอดเวลาแล้วพูดขึ้นจากความเงียบสงบนั้นแกเห็นรองรอยของนายชดรงต้นปามนั้นตั้งแต่เมื่อไรไงใส่โดยไม่สนใจต่อถ้อยคำอันเต็มไปด้วยเล่ห์คารมเช่นกันระพินถามเรียบเรียบหัวรุ่งครับก่อนที่ผมจะไปพบกวางตัวนั้นที่หนองน้ำที่ทักยินไม่ไปพบซ้ำเขาแล้วมารายงานแกคิดว่าแกจะบอกฉัไหม เงยสายยิ้มผู้กองคิดว่าผมจะบอกไหมฉันถามแกแต่เป็นคำถามที่ผมรู้สึกว่าลำบากใจมากนะครับถ้าผมตอบพลาดผู้กองก็จะพิจรารณาผมไปในอีกแน่หนึ่งทันทีผมไม่ควรจะให้ผู้กองรู้ซะด้วยซ้าว่าผมได้ไปเห็นมาก่อนแล้วเอาเป็นว่าตอบด้วยใจจริงของแกอย่าตอบด้วยเล่นั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการ ผมไตรตรองอยู่นานทีเดียวครับผู้กองระหว่างความคิดที่ว่าจะบอกผู้กองดีหรือไม่ถ้าบอกแล้วเป็นความดีงามผมก็จะบอกแต่ถ้าเป็นผลเสียสำหรับผมเองผมก็จะระงับไว้และระหว่างที่ผมยังตัดสินใจไม่ได้นี่แหละขยิ่งก็ไปพบแล้ววิ่งกลับมาโวยวายรายงานซะก่อนเอาล่ะคนใจสิทธิ์ในการถามของผมบ้าง น, นะครับผมก็อยากจะถามผู้กองเดี๋ยนี้เหมือนกันว่า ผู้กองพอใจที่เราค้นได้ร่องรอยคนสาบสูนนี้หรือไม่นับจากที่เราพบมาครั้งก่อนแล้วคำถามอย่างชนิดล้วงเข้าไปถึงก้นหัวใจจากไอ้คนรู้ทันชนิดนั้นแถบจะทำให้อดีตนายร้อยตํารวจเอกระเวนชายแดนเสอึกรัพินฉุนกึกขึ้นมาทันทีนั้นแต่แล้วเขาก็โกรดมันไม่ลงนี่ก็คิดว่าฉันมีเลขกนไม่สื่อสัตย์ต่อคณะนายจ้างอย่างนั้นเหรอ ผมไม่ได้คิดไกลถึงอย่างนั้นหรอกครับความซื่อสัตย์กับความต้องการน่ะบางขนาะมันก็แยกได้เหมือนกันนะครับผู้กองนําทางตามหน้าที่มาอย่างเต็มความสามารถโดยไม่คํานึงถึงชีวิตนั่นคือความซื่อสัตย์แต่ความคิดที่ว่าถ้าคนสาบสูญตายเสียได้รู้แล้วรู้รอดนั่นเป็นความต้องการมันอาจเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหรือเจตนาก็ได้และถ้าเล็งกันถึงแก่นแท้ความจริงก็ไม่มีใครที่จะตําหนิผู้กองได้ ในความคิดเช่นนั้นผู้มิประเทศสิ่งแวดล้อมมันเป็นใครเถื่อนยุคหินแต่คารมโต้ต่อเบาๆเป็นส่วนตัวโดยเฉพาะจากคนทั้งสองเป็นสำนวนลีลาของปัญญาชนที่เจริญแล้วในยุคพลังงานนิวเคลียร์โดยมีฐานะและสภาพเป็นฉากอัมพรางอยู่ผิวนอกนี่ไงาสายฉันรับจ้างนำทางมาในครั้งนี้นะ วัตถุประสงค์แห่งสัญญาจ้างก็คือติดตามค้นหาคนสาบสูญเพราะฉะนั้นมันจะเป็นไปได้ยังไงในการที่แกแสดงความแคลงใจต่อฉันว่าฉันไม่ต้องการจะได้ร่องรอยอะไรของเขาแงายสยมือไปซ่อนอาการบางชนิดบนสีหน้าซึ่งระพินก็เท่าทันว่ามันเป็นรอยยิ้มผู้กองครับผมน่ะไม่ทราบเงื่อนไขในสัญญาหรอก แต่อยากจะคิดว่าการติดตามค้นหาโดยสัญญาจ้างครั้งนี้นั้นน่าจะแบ่งออกเป็นสองในยะใช่ไหมครับคือสั ญ, ญญาจะไปสิ้นสุดสมบูรณ์ลงก็ต่อเมื่อพบตัวหรือมิฉนั้นก็พบว่าเสียชีวิตลงซะแล้วเพราะนั่นมันหมายถึงการได้เดินทางกลับใช่บัญญาชนในคราบของคนดงดอยอย่างแกนะ่ย่อมจะคาดคะเนดได้เสมอในเรื่องง่ายๆแค่นี้ ถ้าผมเป็นผู้กองนะครับผมจะคิดอยู่ภายในคนเดียวก็เงียบๆว่าถ้าผมพบหลักฐานในการเสียชีวิตของบุคคลอันเป็นต้นเหตุให้เราต้องมาเดินดงกันอย่างลําบากยากแค้นนี่สักทีก็จะดีกว่าที่จะต้องมาบุกบั่นต่อไปโดยไม่รู้อนาคตหลักฐานการสอบว่าเขายังมีชีวิตอยู่มันให้ความหวังล่อใจเราให้ต้องลําบากไปเรื่อยๆเส้นทางช่วงระยะ น, นี้ผมเป็นคนนํามาหลักฐานเหล่านั้นผมก็บังเอิญ พบเข้าก่อนถ้าผมนำหลักฐานสิ่งนี้ไปบอกกับคณะเจ้านายผมก็เกรงว่าผู้กองจะไม่พอใจนะักแล้วผมทำผิดเอยครับเก่งว่าแง่ท า, ายแกนี่มันเก่งอย่างมหาวายร้ายทีเดียวและขอบใจมากนะที่แกไม่แสดงยะโสโอหังหักกันซึ่งๆหน่าแต่ใช้วิธีหักฉันอยู่ลับๆในทีตลอดมาแง่ า, ายถอนหายใจขึ ให้ผู้กองรู้ว่าผมรู้ทันซะตรงๆอย่างนี้ผู้กองก็โกรธไอ้เค้นจะทําเป็นว่าไม่รู้ทันผู้กองก็โกรธอยเหมือนกันเกิดมาเป็นแงซายนี่ท่านใหญ่ระพินไทรวันดูช่างไม่ชอบวะซะเลยจริงๆเออจะมีโอกาสจะใช้ถ้อยคําวาจาท่าทีเสียดสีเยาะเย้ยฉันเล่นอย่างสนุกใจได้อยู่เสมอนะฮะแม้กระทั่งคาบ่นรําพันบัตรนั่นเอง ไอ้คนลึกลับก็หันมายิ้มฟันก็หันมายิ้มฟันข่ากับเขาตาเป็นประกายแจ่มจรัญสุขใสแต่ผมก็รู้อีกเหมือนกันนะครับว่าเดิแกนลึกแท้จริงเนะ่ยผู้กองรักผมหาไม่เช่นนั้นผู้กองปล่อยให้ไอ้แงซายตายไปหลายครั้งนั่นละจอมพรานหัวรอึในลำคอไม่มีวันใหรอกที่เขาจะต้อนเจ้าคนคนนี้ด้วยวาจาเข้าสุ่มมุมอับได้ จากความแพรวพราวฉลาดลำ้ำแล้วเขาก็กล่าวเป็นงานเป็นการโดยไม่สนใจกะระฝีปากอันเต็มไปด้วยเหลี่ยมคารมคมกริบกึ่งทอมกึ่งหยิกหยอกเน็บแนมนั้นเรากําลังเข้าแนวทางที่ถูกต้องแล้วแง่สาทั้งสถานที่อนันเป็นเป้าหมายซึ่งจะบ่ายหน้าไปและทั้งตัวบุคคลที่เรากําลังมุ่งหน้าค้นหาอยู่ฉันไม่ไว้ใจแก่ว่าต่อไปข้างหน้า ถ้าแกพบร่องรอยของนายชดกนันอินอีกแกจะบอกฉันหรือไม่แล้วถ้าเรามาตกลงกันสะ ก, ก่อนนะตกลงยังไงเอาเป็นว่าจะให้ผมบอกหรือจะให้เฉยซะประโยคนั้นเรียบจากใบหน้าเฉยแต่ความหมายก็ไม่วายยั่วฉันต้องการให้แกบอกถ้าแกพบก่อนฉันบอกใครครับบอกส่วนรวมหมดทุกคน อันหมถึงคณะเจ้านายด้วยหรือให้แอบมากระซิบบอกกับผู้กองเพียงคนเดียวโธ่ไอชิบหายแง้ทายนี่แกจะยัว่วฉันไปถึงไหนนะสําหรับฉันนะ่ะไม่มีเล่กลอะไรกับพวกนายจ้างของฉันหรอกนี่แกอย่ามาพยายามมองฉันในแง่นั้นเป็นอันขาดนะถึงแกเองก็ไม่โง่พอที่จะคิดเช่นนั้นหรอกเว้นไ่้แต่แกต้องการจะใช้เล่เหลี่ยมในคําพูดเพื่อฉันเสียคนอันแสดงให้ฉันเห็นว่า แกน่ะถือไพ่ในมือบางส่วนเหนือฉันอยู่โดยเอาคณะนายจ้างมาเป็นเครื่องมือถ้าเช่นนั้นก็คงไม่จำเป็นที่ผมจะต้องแอบมากระซิบกับผู้กองตามลำพังใช่ไหมเราเสียเวลาไปเกือบสามชั่วโมงนะก่อนกำหนดเดินทางแท้จริงเช้าวันนี้แกคิดว่าเราจะเห็นช่องเขาขาดเมื่อไหร่เดิมทีนะครับผมกะ ว, ว่าเราอาจจะถึงประมาณบ่ายสี่โมงของวันนี้ อาจยืดเวลาออกไปถึงตอนโผล่เพลงรึกค่าแต่ถึงยังไงแม้จะมืดค่าเราก็จะไม่หยุดไม่ใช่หรอครับจนกว่าจะถึงช่องเขาขาับจอมพรานก้มหน้าลูกแนนอนแงซา ย, ายไม่ว่าเวลาจะล่าออกไปสักเท่าไหร่ก่อนวางแคมป์พักคืนนี้เราจะต้องถึงที่นั่นให้ได้และจากนี้เป็นต้นไปเราจะเดินรวดเดียวตลอดไม่มีการพักผ่านอาหารมื้อกลางวันไปถึงมื้อคำ่ำตอนวางแคมป์เลย แล้วคณะเจ้านายของเราจะเดินไหวหรือครับผู้กองหารือบอกเจตนาข้อนี้กับพวกเราหรือยังไม่จาเป็นนะคนเหล่านั้นนะทรหดอดทนไม่ยิ่งยอนไปกว่าเราเท่าไหร่ทัอ ก, กพวกเขาเองก็ต้องการเร่งเวลาชดเชยกับเวลาที่สูญเสียไปอยู่แล้วแต่คงนับวันเวลาอยู่ทุกขณะจิตแล้วไม่ใช่เหรอว่าขณะนี้นะเราเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ที่จะต้องเร่งไปให้ถึงเนินพระจันทร์ครับผู้กอง เรามีระยะเวลาที่จำกัดและน้อยเต็มทีครับเออเร่งฝีเท้าไว้นอกจากจะเร่งให้พวกเขาเดินเร็วขึ้นแล้วฉันยังต้องการให้แกและฉันะเดินนําทิ้งระยะห่างอยู่เช่นนี้ไม่ให้พวกเขาไล่หลังขึ้นมาทันด้วยทําไมล่ะครับฉันไม่อยากให้พวกเขาซักถามหรือมีปัญหาอะไรในตอนนี้นอกจากเดินอย่างเดียวกล่าวจบรพินก็ตัดหน้าแง่ท า, ายขึ้นไปอย่างปราดเปรียว ดยคุณสมบัตินักเดินเร็วของเขาแทนที่จะเดินคลอขนานชิดอยู่เป็นการเร่งแง้ทรายกับขยินซึ่งหาบของหนักอยู่แล้วอีกต่อหนึ่งทิดเบื้องหน้าตามที่แง้ทรายกำหนดไว้อยู่แล้วไม่เป็นอุปสรรคที่เขาจะต้องโมลังเลหรือคอยสอบถามอยู่จริงอย่างที่พรานใหญ่คิดไว้ขบวนของนายจ้างเบื้องหลังซึ่งเดินกาะกลุ่มอยู่เกือบจะท้ายแถวสุดบัดนี้พากันทวีฝีเท้าขึ้นอีก ทุกคนต้องการที่จะไล่หลังขึ้นมาให้ทันรพินกังแงซายให้ได้แต่ก็ปราศจากผลไม่ว่าจะจำกันซักขนาดไหนอย่างดีที่สุดก็ตัดผ่านหน้าหาบของเสยและเกิดมาได้เท่านั้นแต่คู่หาบของแง่ทายกับขยินก็ยังคงเดินนำลิ้วอยู่เบื้องหน้าทิ้งระยะสี่สิบเมตรตามเดิมชนิดที่กวดกันไม่ทันยิ่งตัวพรานใหญ่เองยิ่งแล้วใหญ่เพราะต่างเห็นเขาล้าไปเบื้องหน้าอีกไกล และไม่ได้เลี้ยวหลังมามองอีกเลยมาเรียฮอฟมันซึ่งจัดว่าเป็นฝีเท้าเดินโดงบุกห้วยปีนเขาได้เยี่ยมที่สุดในบรรดาสี่คนของฝ่ายนายจ้างเองแทๆ้ๆภายหลังจากทดลองพยายามแล้วที่จะไล่ให้ทันแต่ก็ปราศจากผลนอกจากเหนื่อยหอบจนตัวโยนและในที่สุดก็จำต้องถอยลงมารวมกลุ่มกับพวกของเชิาตามเดิมไพรวันกระแง่ายออกลูกไม้อะไรกับเราใชแล้ว เขาเร่งเล่าเราทางอ้อมหล่อนพูดหอบๆขณะที่กรอกกระติกน้ำเข้าปากเงือออกชุ่มโชกจนตัวเปียกไปหมดและทุกคนก็อยู่ในอาการเดียวกันอย่าไปเสียเวลาคิดกวัวห้ทันดีกว่าเดินตามไปเรื่อยๆกันแล้วกันเชิดเ้าว่ารู้สึกว่าไอ้เสือนั่นกระเงี้ยทายไม่ต้องการให้เราเดินตามไปทันคอยทิ้งระยะหนีไว้เรื่อยจะชยันตั้งข้อสังเกต อย่างก็เถอะก็ไม่จําเป็นอะไรที่จะต้องให้รับพินมาเดินเคียงทําหน้าที่พี่เลี้ยงให้เราในขณะนี้นี่เขายิ่งเดินเร็วเท่าไหร่ก็เท่ากับช่วยเราเร็วตามเขาขึ้นไปเพียงนั้นดีเหมือนกันแล้วต้องทําเวลาไม่ดีหรอกดารินบนกระปอดกระแปดเอาระบบตามควายหายมาใช้กับเราอีกแล้วบับพา น, นี่จะพูดจะถามอะไรบ้างก็ไม่ได้ทิ้งอ้าวไปซะแล้วพี่ชายหัวเราะฮ ก็คงจะรําคาญคนขี่ถามอย่างน้อยน่ะแหละพี่แกถึงได้หนีไปนูน่นนี่อย่าไปมัวถามหรือพูดคุยอะไรกันอยู่เลยไม่ก็โอ้เอวิหารรายเดินช้ากันอยู่นี่เองมมหน้าที่เดินก็เดินมากันแล้วกันเอาไว้หยุดพักค่อยถามแซวซีกันไม่เห็นว่าจะเดินกวดตามไม่ทันจริงๆเฉฐาก็สั่งให้มาเรียกชยันถอยไปคุมหลังท้ายขบวนตามเดิมและไม่พยายามจัะกระชั้นระยะเข้าไปอีก ให้เสียกำลังปล่าสี่ชั่วโมงเต็มๆของการเดินกันอย่างหนักและรพินไม่ได้ย้อนลงมาสมทบอีกเลยทุกคนเห็นเขาในลักษณะของเรือนำร่องดุ่มไปเบื้องหน้าเช่นนั้นท่ามกลางโขดเขือนเดินสไลด์ที่แวดล้อมอยู่รอบด้านไม่มีการหยุดพักไม่มีการตั้งกลุมรวมมูนอกจากแถวลักษณะคาราวานต่างอิดโรยอ่อนแรงทุกขณะเท่าๆกับที่ดวงตะวัน คล้อยต่ำลงทุกทีขนาดบุญคำจันเกิดและเสยซึ่งเป็นลูก ป, ป่าโดยตรงบัรนี้ก็ยังหาบของโซซั์โซเซลากขากันไปทั้งขบวนเงียบกริบไม่มีเสียงพูดจากันเลยความเหนื่อยความที่จะต้องก้มหน้าก้มตาลากสังขารกันไปตามภูมิประเทศกันดานลุ่มลุ่มดนิดนดอนหาที่สิ้นสุดไม่ได้เหล่านั้นทำให้ต่างพูดกันไม่ออก สำหรับเงาทรายกับขยินนั้นจับคู่กันได้เหมาะเจาะเหลือเกินเพราะร่างสูงใหญ่แข็งแรงเท่ากันแล้วต่างก็เป็นเอตะทักคะในทางการเดินเร็วด้วยกันทั้งคู่จึงไม่มีใครทวงใครแม้ความหิวจะเริ่มย่ากกลเข้ามาทรมานอยู่ในขณะนี้ก็จริงแต่ต่างก็ลืมนึกถึงอาหารมื้อที่สองของวันไปซะแล้วเพราะความมืดใกล้เข้ามาหนทางเดินก็ต้องเร่งรุดกันต่อไปเพื่อเข้าสู่จุดหมายปลายทางอันหวังไว้ว่า นั่นคือแหล่งพักอาหารจะไปรวมอยู่ในมือนั้นทุกสิ่งตรงตามแผนของพรานใหญ่ผู้กำหนดไว้แบบบีบบังคับในที่สุดเมื่อเดินลงเนินลูกสุดท้ายทุกคนก็มองเห็นพื้นที่ราบโลง่งอันกว้างใหญ่เหมือนแอ่งกระทะในวงแวดล้อมของทิวเขาหินล้วนรอบด้านเหมือนกรอบกำแพงกั้นไว้ภูมิประเทศแปลกตาไปอีกลักษณะหนึ่ง ขณะนั้นตะวันรับเหลี่ยมเขาทางด้านหลังไปแล้วเหลือแสงบางๆไว้บนท้องฟ้ารุ่งกินน้ำปรากฏลำสลับสีอยู่บนยอดเขาด้านขวามือซึ่งชะอมเขียวคลุ้มคลึ้มถ้าไม่เกิดจากละอองไอน้ำที่ปกคลุมอยู่บนยอดเขาสูงนั้นก็คงมีฝนตกอยู่ทางด้านตะวันออกและนั่นคือสั ญ, ญลักษณ์แห่งฝนเป็นครั้งแรกภายหลังจากไม่ได้พบกันมาเป็นเวลาแรมเดือน ระพินภัยวันหยุดรออยู่ก่อนแล้วในหมู่หินเตี้ยๆริมตีนเนินสีหน้าอันกล้ากระด้างนั้นและหินแจ่มใสขึ้นชัดพร้อมกับรอยยิม้มเมื่อทุกคนเดินเข้ามาถึงอย่างหน้ามืดตาลายแล้วต่างก็แทบจะหายเหนื่อยเป็นปริทิ้งแปลมาเป็นความตื่นเต้นกระตือรือร้อนขึ้นอย่างฉับพลันเมื่อได้ยินเสียงเ้าๆนั้นบอกมาว่าโน่นครับช่องเขาขาดเรามาถึงแล้วครับ ดารินกชัยยันผู้กำลังทิ้งตัวลงไปอย่างหมดแรงเพ่นรวดขึ้นมาทันทีเชษฐากมาเรียก็หันขวับไปจ้องตามมือชี้บอกนั้นข้ามพื้นที่ราบโลง่งอันกว้างใหญ่ไปทางด้านเหนือระยะห่างประมาณไม่เกิน3มกิโลเมตรทั้งหมดเพิ่งจะสังเกตเห็นทิวเขาสูงระงานเงื้อมซึ่งเป็นทิววงกลมกั้นล้อมอยู่นั้นมีรอยชนักขาดตอนปรากฏเป็นช่องแคบๆอยู่ เหมือนจะเป็นปากทางผ่านเข้าผ่านออกไปสู่ดินแดนฝั่งตรงข้ามธรรมชาติดูเหมือนจะเจตนาจงใจตัดช่องทางไว้สำหรับเชื่อมแผ่นดินสองฝั่งจำกัดให้เฉพาะทางด้านนั้นเท่านั้นรอบด้านส่วนอื่นขุนเขากั้นล้อมทึบหมดต่างตะลึงมองกันอยู่ครู่หนึ่งพรานทั้งนั้นก็ปรงของลงจากบ่าชั่วคราวพูดกันจอกแจกพร้อมกับชี้ให้ดูกัน ด้วยความดีใจคณะนายจ้างก็เพิ่งจะสังเกตเห็นเดี๋ยวนี้เองว่าบนก้อนหินเตียเต้ยๆตรงหน้าของพรานใหญ่มีแผนที่ลายแทงวางแผ่อยู่และในมือของเขาถือกล้องส่องทางไกลสวยเหลือเกินดารินพึมพำอย่างตื่นใจเหลียวมองไปรอบๆทิศแล้วกลับมาจ้องนิ่งอยู่ทางช่องเขาขาดเชื่อมนั้นตาไม่กระพริบในที่สุด เราก็มาถึงมันจริงๆใช่แน่เหรอรพินเชษฐาถามด้วยใบหน้าที่สดชื่นขึ้นยิ้มออกมาได้จอมพรานเชี่ยดูในแผนที่คงไม่ผิดหรอกครับแผนที่นี้ยันได้ตรงกันทุกอย่างรับพูณชายกลุ่มนายจ้างควักกล้องทางไกลประจำตัวออกมาส่องกราดสำรวจส่วนรพินยื่นกล้องของเขาที่ถืออยู่ในมือให้ไปที่มาเรีย ห่างประมาณสองกิโลเมตรครึ่งจากนี่ไปถึงช่องเขานั่นแมมสาวคำนวณจากระยะที่เห็นในกล้องทะลุผ่านช่องนั้นออกไปแล้วทะเลสาบมรณะควรจะอยู่ทางด้านขวาใช่ไหมชายันถามสักซ้อมครับก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าตามแผนที่นี่นะครับถ้างั้นจะเอาอยัางไงบุกให้ถึงทะเลสาบนั่นก่อนตั้งแคมป์คืนนี้เลยช่องเขานั่นก็มองเห็นไกลๆอยู่แค่นี้เองนี่ ภายหลังจากนิ่งคิดอยู่ครู่ใหญ่ระพินก็บอกอย่างระมัดระวังว่าผมคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดเราควรจะหาที่พักคืนนี้กันตรงบริเวณใดบริเวณหนึ่งในช่องเขาขาดนั่นก่อนนะครับไม่เหมาะนักที่เราจะไปวางแคมป์กันตรงทะเลสาบมรณะเพราะเราไม่ถูกว่าภูมิประเทศจะเป็นยังไงเอาไว้ให้ตะวันขึ้นพรุ่งนี้มองเห็นอะไรกันได้ชัดๆเราค่อยไปที่นั่นดีกว่าครับ ถึงยังไงตรงช่องเขานั่นกับทะเลสาบก็คงห่างกันไม่มากนักหรอกครับดีเห็นด้วยยึดเอาหลักปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าทะเลสาบมรณะผมเองก็ไม่สะดวกใจที่จะไปนอนอยู่ใกล้ๆมันหรอกเชษฐาเห็นพองด้วยกับคำพูดของเขาทันใดนั้นเองดารินซึ่งกำลังการาดกล้องสำรวจอย่างละเอียดถีถ่วนอยู่ก็อุทานเออออกมาในลาคอ แล้วชะนักกล้องกวาดไปมาลงอย่างกระทันหันจุดหยุดจับนิ่งอยู่ที่บริเวณตำแหน่งช่องเขาขาดอันเลยเห็นท้องฟ้ามัวมัวของอีกฝากนึงปรากฏเป็นแบ็กกราวด์อยู่ตามรอยว่างแคบ แ, ค บ, แคบนั้นทุกคนสงสัยหันขวับมาจ้องหลอนเป็นตาเดียวอะไรเหรอน้อยชายันถามเร็วปรือราชสกุลสาวไม่ตอบ แต่เอาอีกมือหนึ่งชี้เงียบๆตรงไปยังทิศทางที่หลอนจ้องผ่านเลนด้วยอาการขมวดคิ้วอยู่ในขณะนี้เชิดถาชยันและมาเรียจึงหันกล้องส่องตามทันทีโอ้กอดแรงไกงูงตัวนั้นอีกแล้วแมมสาวอุทานออกมาระพินใจหายว่าเขาพยายามเพ่ง้วยตาเปล่าแต่ก็ไม่เห็นอะไรทันใดนั้นมาเรียก็รีบส่งกล้องคืนไม่เขาโดยเร็ว จอมพรานรับมาแค่ปรับเลนให้เข้ากับสายตาเท่านั้นเขาก็เห็นในสิ่งที่มาเรียบอกในแสงโพโลเพลงของย่ำสนธยาเหนือชะง่อนหินของช่องเขาขาดด้านนั้นเงาดำๆของแรงทันใหญ่ตัวหนึง่งตัวเดียวโดดเดี่ยวกําลังร่อนลมอยู่อย่างแช่มช้าเป็นรัศมีวงกลมแน่ละมันไม่น่าจะเป็นตัวอื่นใด นอกเหนือไปจากเจ้าตัวที่บินไปตามคณะเดินทางมาทุกระยะเมื่อสามวันก่อนและระยะหลังก็พละแย่ไปบินตามไอ้มหาักษ์ไทรันโนซอรัสตัวนั้นแทกบัดนี้มันปรากฏเงาให้เห็นอีกแล้วยังไม่นึกไม่ฝันบินวนอยู่เหนือท้องฟ้าตรงช่องเขาขาดอันเป็นหนทางด้านเดียวที่ทุกคนกำลังจะต้องอาศัยผ่านไปเหมือนจะบอกใบให้ทรา ถึงอะไรบางอย่างโดยที่มันก็คงไม่ได้ตั้งใจจบตอนอาถรรนิตรานคร